ตั้งแต่คุณพีเคไปเอ่าเริ่มตอนที่คุณพีเคก่อนถามนางสนั่นค่ะนักการเมองเป็บบาานไงครับวันนี้มีวินัยกรรมอะไรมาเล่าให้พังไหมพูดไปด้วยแทนนี่ไปเลยเล่าให้พระอาจารย์ฟังคะ่ะวันนี้คุณทําอะไรบ้าง mm hmm. ไม่กระซิ mm hmm. คุณบอกคุณคุณบอกเอง mm hmm. คุณอยากแก้ไขอะไรคุณเล่าเลยวันนี้ทําอะไรผิดบ้างทําอะไรไม่ดีบ้าง วันนี้ทำอะไรลอาลังคิดที่โดนดุไปเรื่องอะไรจะบอกไปบอกพระอาจารย์เลยมีวันไหนที่ไม่โดนดุบ้างไหมมีไหมไม่มีเลยค่ะไม่มี <า S 1> วันนี้นหนักเลยอ่ะ<ม>บอกพระอาจารย์เองบอกดีๆแล้วอืมมีเียอย่างกี่ย อ, กอย่างก็บอกไปนึกเท่าที่นิดได้อ่ะครับบอกเลยค่ะ แอบบอกเลยครับอืมวันนี้ก็วันนก็ก็ก <c oughs> ดีดีจะจะเราฟังเนี่ยว่าจะสำนึกผิดไหมโอเคเพื่อนขนครับอาจารย์เรื่องอะไรนะเพื่อนขน ไม่เข้าใจเอาถ่านเอาถ่านก้อนใหญ่เลยอะค่ะพระอาจารย์อะไรทวีไม่ใช้เลยถ่านก้อนใหญ่ๆค่ะมะเขืองลงพื้นดีมันไม่ระเบิดแล้วก็เอาถ่านกระดุมค่ะไปวางไว้บนเตาไฟไอเอสนะคะแล้วเปิดไฟวิธีถ่านกระดุมมันก็แคถ่านเหมือนเดิมอ่าเหมือนถ่านแล้วก็แล้วก็กระโดดเตะไอเครื่อง กองอากาศค่ะพอดีอให้อยู่กับแนนนี่แนนนี่กลับม า, อาพอหนูกกลับมาจากทำงานแนนนี่แบบยืนนิ่งหรือก็ทำเกิดอะไรขึ้นแนนนี่บอกว่าเอาอเขาบอกนะคะน้องทำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะหนกแบบโอ้ยลูกทำไมถึงทำอ่ะไม่สบายใจเลยเราบอกพระอาจารย์ไปอืจะตัวเดีย ว, วสำนึกไหม มันกิเลสมันหลอกอะค่ะพระอาจารย์หลอนกิเลสหลอค่ะพ่อิเลสนะมันหลอกว่ายังไงล่าพระอาจารย์ฟังทีหลอกว่าทําไม่ดีดีที่สุดแล้วค่ะพระอาจารย์เออจะทําไงดีนะอ่ะถ้าไม่จะทําอีกไหมไม่แล้วค่ะพระอาจารย์ไม่นะโอเคแน่ใจนะ พูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยเมื่อวันอังคารก็ไปล็อกเพื่อนไว้อยู่ในห้องน้ำค่ะพระอาจารย์ข่าวจากคุณครูไลยวันเลยค่ะเขาบอกว่าไปล็อกเพื่อนที่เขาบอกว่าเพื่อนที่ชอบแกล้งเขาเขาล็อกไว้ในห้องน้ำเลยโอเคไม่รู้จะสอนยังไงละค่ะพระอาจารย์วันนี้กีเลสแม่ก็มาตัวเบลเลอร์เลยค่ะพเขามาฟัง ก็ปลงไปก็แล้วกันเป็นกรรมของเขาเราก็สอนเข้าไปครื่องชั่วก็บอกไปส่ตนก็ จ, จะจะทำอะไรมันก็ เ, เรื่องของเขาดีมันไม่ระเบิดคะ่ะพระอาจารย์เปิดไอเอสเอาฐานไปวางข้างบนนั่นนะคะฐานฐานอะไรฐานโทรศัพท์หลือว่าฐานอะไรฐานเอ น, นี้เขาบอกว่าเป็นฐานกระดุม กลมๆอะค่ะพระอาจารย์ท oh. าน mm hmm. ลิเทียมไอรกระดุมเล็กๆอะคะ่ะม mm ัน hmm. มันคือมันคือมันคือมันคือทีเอเออทีเอจะกทีทูวันเขาทานเลยป่าลูกหน่อยแก่ค่ะพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ว่าต่อไปจะมีสติไหมต่อไปจะมีสติแล้วค่ะพระอาจารย์อย่าดูเกเรเราอีกนะครับโ okay, อเคครับพระอาจารย์หอเคก่ oh, วันนี้เลย<ช><อ>โดน combo set ชุดใหญ่ไปเลยค่ะพระอาจารย์กลับมากิเลสแม่เข้ามาแบบเต็มเต็มี่เลียงเขาก็ไม่กล้าบอกตอนแรกค่ะเขาก็ยืนอึอ้งอึอ้งเขาถึงค่อยๆบอกค่ะแล้วหนูก็บกแกบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะตอนแรกบบเสียใจมากเลยว้ยทำไมเพิ่งสอนไปก่อนออกจากบ้านไปแป๊บเดียวค่ะพระอาจารย์นิสัยเขาเป็นอย่างนี้นะทาไมค่ะ ไม่ต้องคอยระ ว, วางคอยคอยเฝ้าดูค่ะพระอาจารย์ต้องปล่อยวางแล้วก็ อ, อุเบกขาใช่ไหมคะลองตรมมุ่งสัตย์ไปค่ะพระอาจารย์สอนได้เท่าที่สอนแล้วคะ่ะไม่ลูก<อ>คือทุกวิธีแล้วค่ะพระอาจารย์ใช่ก็ทําให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเราก็สอนไปค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้ทำมาพระอาจารย์อาทิตย์นี้ <laughs> โอ้โหแย่มากเลยคะ่ะเพราะว่าทั้ง ที่ทํางานก็แบบว่าที่พระอาจารย์เคบอกยอมหยุดเย็นนี่มันใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆเลยค่ะอท<า>ั้งลูกลค่ะเราก็ต้องรักษาใจเราด้วยหมดแต่ไปรักษาลูกห่วงลูกงดูแลตัวเราค่ะต้องยอมหยุดเย็นทุกทุกทุกทางเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> ทั้งลูกน้องลูกจริงแล้ว อ, อย่าไปท <laughs> ุข์กับเขาค่ะพระอาจารย์ แค่นั้นเขาพอไม่คิดแล้วมันก็เออมันก็โล่งดีนะปล่อยไปถ้าถ้าเราไม่คิดว่า เ, เราเป็นแม่แล้วเราจะต้องไปทุกแทนเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นลองปล่อยไปก็มันก็โอเคนะที่ทาไงได้ไม่ปล่อยก็ทุกข์ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากๆาเลยค่ะพระอาจารย์ยอมหยุดเย็นช่วยหนูไว้ม<อ>ากๆาเลยค่ะใครเป็นคนเล่นกล้องให้มีคนถ่ายกล้อง้เนียเอไอค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเอไเก่งขนาดนี้นะค่ะ เออคอยเล่นเข้าเล่นออกเนี่ยน้องก็อยู่ข้างๆไม่ด้ไม่ได้ <Yeah. S 1> มันมันเคลื่อนเองเราสามารถมันเคลื่อนมันมันเคลื่อนเองค่ะแต่ตอนนี้หนูจับอยู่ค่ะออ oh. อันนี้อันนี้เอไอจับภาพค่ะ oh. ค่ะพระอาจารย์อี่ hey. ทันสมัยโอเคนะครับพยายามอย่าทำอีกนะครับโอเคขอพัพราจารย์โอเคจะลงทั่วตัวเังไงดีบ้าง อกินขนมเลิกกินขนมหนึ่งวันได้ไหมสองวันได้ไหมพยักหน้าทําได้ป่าทําได้ป่าบอกพระอาจารย์ก่อนค่ะทําได้ป่าพระอาจารย์ถามทําโทษตัวเองอยังไงยกมือด้วย <laughs> น่าจอยเลยวันนี้ <laughs> จอยเลยคะ่ะโดนคอมโบเซตใหญ่เลยคะ <laughs> <Okay. S 2> ่ะพระอาจารย์โอเคค่ะ อากาศล้ำมันสการคร่ะรงนั้ำมันส ก, กัดคอพลาจาันโอเคแต่สมัยนี้เขาไม่ให้ตีเด็กใช่ไหมไม่ให้ตีค่ะแต่มีเคยมีตีไปหนึ่งสองครั้งได้บั้งคะแบบว่าไม่ได้จริงๆเลยค่ะมือเขาอะค่ะไปกดไอ้สัญญาณอันตรายบ้างอะไรม้างคือไม่ตีมือก็ไม่ทันนะคะแม่กิเลศวิ่งไปก่อนแล้วอะค่ะบา <c oughs> งทีเขาจะเอาอะไรมาเข้าปากอย่างเนี้นค่ะที่มันเป็นอันตรายอันตรายก็ เผื่อตีมือไปบ้างค่ะสองสามคีมค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ไม่ตีค่ะเป็นเป็นพื้นฐานก็คืออธิบายแต่อธิบายแล้วยังไม่ฟังู <c oughs> ใช้ทุกทุกศาสตร์ทุกอาจารย์ทุกหมอแล้ว okay. ค่ะอืมโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ีมีลูกคนมีลูกมีบุญไหมเนี่ยลองถามทาโอ้โหบุญมีแต่กรำบังอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้ต้องพาไปกราบแล้วคะเนี่ยให้ค่ะกราบกุศลก็ไม่ได้ผลหรอกมันกราบไม่ได้ผลต้องโป๊กๆเลยใช่ไหมคะไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะทํายังไงแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ให้ซีก็ก็ได้แต่สอนได้แต่ห้ามค่ะค่ะอาจารย์หนูก็มีแอบแอบแอบปุ๊กป่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะ โ <Okay. S 2> อเคค่ะขอบพระคุณค่ะก <มา S 2> ลับน้ำมาสกับพระอาจารย์อ่าไปที่จะแม่จะแจที่ต่อกลับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับอ่าวันนี้จะมาส่งการบ้านเช่นเกิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิด้วยครับอรายงานก่อนเลยครับตอนนี้ก็นั่งสี่สิบนาทีทุกวันครับตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับก็ก่อนจะนั่งก็พิจารณาความตายแล้วก็ ท้องอาอการ 3.2 ครับอืมดีไหมครับดีครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตครับอ่เาเราจะนั่งสมาธิใจรั้สึกสบายขึ้นไหมก็สบายขึ้นครับอ่าโอเคนะนี่คือวิธีหาความสุขนะแบบไม่มีพิษมีภัยหาความสุขจากการทําใจให้สงบสนใจให้ฉลาดครับอโอเคอ่า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 มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นคายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน้นๆสิบไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอโอเคแล้วนันกายเราเป็นยังไงบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ยยกในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยกในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำข่ยข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำข่ยข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำมเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเนื่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำดีเยื่ในสมองสีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อตังฟันเล็บขนผม เ, เวลาเห็นร่างกายต้องนึกถึงอาการเหล่านี้นะจะได้พยายามนึกถึงภาพมือนบ้างแต่ไม่หลงว่าร่างกายนี้สวยงามร่างกายก็มีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยอยู่อยู่ที่เดียวกันโอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับได้แล้กเอาแค่นี้ก่อนนะคะรับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอ่างามทิมจ้างามทิมอขอบคุณแม่ อ, นนา อ, าอาจารย์ักการพรัอาจารย์ไม่ไงวันนี้เอน้ อ, องทีมพูดดังๆหนดาเออวันนี้มีคําถามครับอยากจะมาถาถามมาเลยเออการเดินจงกรมนี่ต่างกับการนั่งสมาธิอย่างไหนครับก็ต่างตรงที่เดินกับ น, น, นั่งไงเวลานั่งกับเดินแต่เวลาใจทําเหมือนเดิมเวลานั่งใจทําอะไรใจพุโทโธหระบเปล่าหรืออาการ32 ใจ <c oughs> มีสติอยู่กับอะไรพุทโธครับอ่าเมื่อเดินก็ก็มีสใจก็มีสติอยู่กับพุทโธเหมือนเดิมเราต้องการเจริญสติในทุกเรืยอบทเดินยิงนั่งนอนเนี่ยที่เดินเพราะว่าบางทีนั่งไปแล้วมันเมื่อยนั่งไปนานแล้วมันเมื่อยก็เลยลุกขึ้นมาเดินแทนแต่ถ้าเรายังไม่เมื่อยนั่งได้ก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้ อันนี้คนที่เดินถูกกองกับนั่งสลับกันนี่เป็นคนแบบที่ดปฏิบัติทั้งวันอย่างเนี้ตวัดที่หลายหลายชั่วโมงถ้านั่งหลายหลายชั่วโมงทั้งวันหรือนั่งไม่ไหวมันนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแต่ใจก็ยังฝึกสติต่อไปเหมือนเดิมยังอยู่พระพุโทโธต่อไปเหมือนเดิม<อ>แล้วเราสามารถที่จะแบบสลับได้นะครับแบบวันนั่ง ส่วนมลแล้วเดินจงกรมวัาหนึ่งส่วนมืนแล้วนั่งสมาธิได้ไหมครับก็มันเดินยังกรมมันสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่ามันจะนิ่งกว่าถ้านั่งสมาธิถ้าเดินมันจะไม่ค่อยสงบเหมือนกับนั่งอ่าที่เราเราไม่ได้นั่งทั้งวันอยู่แล้วเรานั่งแค่สิบนาทีเราไม่นั่งไปสลับไม่เสียเวลาแล้วยังไม่ทันเมื่อยเลย เข้าใจไหมแต่เวลาไม่เวลาไม่ได้นั่งอะ่ะ อ, อก็ให้จจเจริญพุโทโธต่อเหมือนตอนที่เรานั่งพอเราเลิกนั่งปักก็พุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าเลิกพุโทโธ เ, เวลาเราเดินเดินจากห้องนี้ไปห้องนั้นเราก็พุโทโธพุโทโธนี่ก็เป็นเดินจงกรมนะเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเดินลงบันไดหรืเอวเวลาทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป เงินเหมือนกันเดินจงกรมได้ค่ะพยายามให้มีพูดคุยอยู่กับใจเราไปนานๆแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายมีความสุขอวันมีที่ลองเดินไปก็เดินได้สิบเก้านาทีครับสิบ้านาทีเลื่นไปไหนเลื่อนไปมาระหว่างประตูกับอีกประตูหนึ่งครับนที่บ้านเลยคสิบเก้านาทีเลยเนะ ค่ะคือกับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะลูกเนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพอดีหนูอยู่ในห้องอะค่ะแล้วหนูให้เขาจวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาคงเหมือน มอาจจะแบบไม่อยากนั่งหรือยังไงอะค่ะอาจจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยหนูก็ไม่ทราบอะค่ะว่าเขาเดินจงกรมเองอะค่ะพอดีหนูเปิดประตูออกมาคือหนูก็เห็นเขาเดินวนเป็นวงกลมอะค่ะพระอาจารย์โดยที่หลับตาอยู่แล้วเขาก็เดินเป็นวงกลมแล้วหนูก็ถามว่าอ๋อทิมทําอะไรอยู่เขาบอกเขาเดินจงกรมเคือาคือตามความคิดของเขาเขาคงเข้าใจว่ามันเดินวงกลมอะค่ะนีคะหนูก็เลยบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ได้เดินอย่างนี้มันต้องเดินเดินไปเดินกลาบแล้วก็เวลาเดินน่ะให้อยู่กับพุทโธ แล้วก็เอามือแบบประสานกันไว้ข้างหน้าแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยต้องมีสติอยู่กับพุทโธอ่ะค่ะเขาก็เลยเดินแต่เขาก็บอกหนูว่าตอนที่เขาเดินเป็นวงกลมแล้วหลับตาเขาก็พุทโธตลอดอะค่ะพระอาจารย์ก็ได้ก็ไดเดินวงกลมก็ได้เดินออกไปกลับใบกลับมาก็ได้บางทีเดินรอบบ้านก็ได้ถ้าเราไม่มีที่เดินค่ะเดิยรอบบ้านเดินรอบโบสถ์เดินรอบเจดีช์ที่เวียนเทียนนี่ก็เดินวงกลมกันนะค่ะ แต่คนไม่รู้เขากำลางเดินจงกรมกันมันคือการเดินแบบมีสติใช่ไหมใช่แค่ส่วนใหญ่เดินไปก็คุยกันไปค่ะไรไม่ได้ประโยชน์ค่ะไม่ไดีแต่อาการของการเดินแต่ไม่ใจไม่มีสติใจลอยเราต้องการสึกใจไม่ใช่เพื่อออกกําลังกายเราต้องการออกกําลังใจฝึกใจเวลาเดินเวลาทาอะไรนี่เราต้องมีสติแล้วเราก็จะได้ออกฝึกใจไปในพร้อมๆกัน ถ้าคือเขาในความคิดของเขาเขาคิดว่าเหมือนจะสลับแบบสวดมนต์แล้วก็วันนี้เขาไม่นั่งสมาธิได้ไหมเขาจะเดินจงกรมแทนอะไรแบบนี้ค่ะสองอย่างไม่ได้เลยค่ะหนูก็เลยก็เลยว่าจะลองเพราะหนูไม่แน่ใจหนูก็เลยบอกให้เขาเรียนถามพระอาจารย์ด้วยตัวเองวันนี้เดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยจะได้ครับกำไรเพราะนั่งสมาธิสําคัญกว่านะใช่ค่ะ นั่สมาีิําคัญสุดนะลูกเพราะว่าก่อนเขานั่งสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์หนูจะให้เขาสวดมนต์ก่อนนะคะแล้วทีนี้เหมือนเขาก็คงอาจจะรู้สึว่ามันยาวเลยแบบนี้แต่ว่าหนูก็บองเป็นกูสโลบายว่าเขาจะได้ฝึกสติก่อนแบบเนี้นะคะ่ะแล้วก็ูค่อยจะได้นั่งสมาธิต่อแต่ถ้าเกิดวันไหนเขาอาจจะไม่ได้อยากสวดมนต์ก็อาจจะให้เขาเดินจงกรมเดินไปเดินมาก่อนแล้วไปนั่งสมาธิต่อเลยแบบนี้นะ ค, ะค่ะอ่าน หนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะจะควรทํำ ไ, มไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดินแบบไหนเดินแล้วใจคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าเดินคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคเข้าใจค่ะแต่ถ้านั่งถึงถึงแม้จะคิดเรื่องอื่นบ้างมันก็ยังบังคับให้มันมันบังคับความอยากให้อยู่กับที่อยู่ใช่ค่ะค่ะแล้วตามความอยากไปในตัวใจธรรมดามันอยากจะเคลื่อนไหวอยากจะไปนู่นมาเน่ทํานู่นทํานี่ มันไม่ยมอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆอืองั้ก็อยากจะเดินก็ได้แต่ต้องอย่าทิ้งกันนะค่ะใช่ไงก็ต้องนั่งค่ะก็หลวงพ่อเลยถือว่าให้นั่งด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องยังไงก็ต้องนั่งค่ะัทีนี้นั่งไปกี่นาทีจดไว้หรือเปล่าเอออาทินี้ได้จอดไหมไปดูกันมาไม่เป็นไรหรอกหลวงประมาณเกืนชั่วโมงนะคะอืมมาแร้วข้ากี่นาที เกือบเกือบสิบนาทีเกือบสิบนาทีครับอนค่งแต่หกวันครับวันเนี่ยเป็นวันยังไงวันเสาร์ครับเด็กเราก็เลยแม่จะทำเหมือนเดิมครับแต่เขาก็ต่หนุดเอบางวันก็นิ่งบางวันก็อาจจะยังนั่งไม่ค่อยนิ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ก็สลับกันไปบางวันก็เป็นวันที่ดีค่ะบางวันก็อาจจะเป็นวันที่นั่งแล้วก็ เอ่อมันมีมอะไรไแบบยังค่ะใช่ใช่ฮันุก็ต้องคอยบอกอเขาอะค่ะอาจารย์แต่มันก็มีมีขึ้นขึ้นลงลงอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามให้เขาฝึกไปแต่เท่าที่ทดสอบทดสอบนะคะบ า, บางเรื่องเขาก็ไม่มีสติแต่บางเรื่องก็ก็ ก, ก็ยังยังได้อยู่มีความอดทนดีอยู่ค่ะอย่างเวลาโดนล่าสุดโดนคุณแม่ดุแบบดุเลยค่ะเขาก็ก็นิ่งนิ่งดีค่ะอาจารย์ ก็เลยนี่ก็ไม่ทําะแต่บางเรื่องก็ไม่มีสติก็ลืมนี่ลืมนั่นลน้นแต่ว่าเขาก็เลยบอกเขาว่าอ๋อเขารู้ตัวว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่มีสติแบบนี้ค่ะอย่างย์ยัร้องลกค้งทานอยู่คสติมันเวลาได้ขัดน้านอัดยืนใหม่ๆยันได้ยืนได้สองสามก้าวก็ต้องนั่งลมทานไงค่ะกาลังยังไม่มากพอค่ะก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพยายามทําไปเรื่อยๆค่ะ เรไก็เหมือนพว่จะแมตชับเจ้าที่เขาแล้วสี่สิบนาทีอ่ะอือยี่สิบนาทียังเหมือนจะไม่ได้เลยครับ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเราเป็นเด็กเล็กกับเขาเขาเด็กโตแล้วอ๋อก็นี่ก็ดีมากเล้ลูกก็พยายามไปน ะ, อ, ะอืมยิดีขึ้นโอเคค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุสาธุเ จ, จ้าค่ะอ่าไปเรียกคุณหมอสองท่าน อยนอนง่ายจังพ่อหมครับนมาสการพระอาจารย์น้ำมาสการครับพระอาจารย์ครับจะมีบางสัปดาห์ที่เข้ามาไม่ทันบ้างครับการฟังอยู่ข้างนอกครับก็ไม่เป็นไรก็เรื่องปกติครับอาจารย์ครับแต่วันนี้จะต้องรีบทําเหตุเลยค่ะยังทํางานไม่เสร็จก็รีบกดมาเข้ารอไว้ก่อนค่ะพระอาจารย์เพราะวันนี้เป็นวันชายวันเกิดหนูอยากมาขอบคุณวันเกิดขอเขาครับ คามอยู่วามอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่มรูชาเราก็เราก็ให้พรกับตัวเราเองนะคนอื่นให้พรกับเราไม่ได้เราต้องให้พรกับตัวเราเองด้วยการกระทําความดีของของเราอืทำทานรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นพรนันบเสดในการให้พรนันบเส พระก็เพ่งจพูดให้กำลังใจขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละขอให้สุขให้เจริญให้แข้าแกาดปลอดภยัยร่มเยนเป็นสุขอันนี้ก็เป็นคําวาจาให้กําลังใจนะแต่ความจริงมันไม่มันไม่เกิดจากการพูดเหล่านี้หนระอกถ้าพูดแบบ น, นี้คนรวยกันไปหมดนะคนจะได้รวยไหครับอทางก็อาจารย์เนื่องแต่พระยังให้ให้พรตัวเองไม่ได้เนะพระก็ต้องทําำ ถ้าไม่ทำไม่ทำให้ดีมันก็แทนที่จะเป็นผรมันก็กลายเป็นโทษไป <'m> อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทําอำนะพอเราดีช่วยสุขเจริญหรือเสื่อมหรือทุกข์นี้อยู่ที่การกระทําของตนเองจะทํากรรมบันดาไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น <'m> ขอให้ทํากรรมดีพูดดีคิดดีกระทาดี แล้วสุขความสุขความใจเลยก็จะตามมาอาจารั์จะทกรรมดีค่ะพระอาจารย์ขอบคุณครับพระอาจารย์ครับกรรมดีก็ทำทานรักษาสิ่ภาวนาเขาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นกรรมดีครับการเรียนรู้โอเคจั้งใจค่ะครับผมวันนี้ยังวันนี้ยังไม่ได้กลับถึงบ้านเนี่ย ัีเป okay. right. ิดเพื่เสร็จงานพอดีครับอาจารย์แต่ว่าเห็นว่าถึงคิวพอดีเลยอยู่รอที่นี่ก่อนครับครับเดี๋ยวเขียงกลับนะครับครับขอบคุณนะครับพี่ว่าน่าจะสบายการทางานเด็กๆยังเดินเผอื่นว่ามันวันเป็นวันพุธพอดีครับที่ที่ทําครับผมครับเป็นเวลาทาคลินิกพิเศษนะใช่ครับใช่ครับก็จะมีทําอยู่มีวันจันทร์เย็นพุธเย็นเหนือครับครับเป็นบางวันครับอาจารย์ค่ะ ดีคำให ญ, ญ่ก็ดีแต่ก็ต้องให้มันมีความพอดีนะครับค่ะครับอาจารย์ระหว่างันก็เจริญสติกค่ะอาจารย์เชิญค่ะขอบคุณพรอาจารย์นะคะขอให้สุขใจแล้วค่ะอายุวันนูสุขขังปรังนะค่ะพระอาจารย์ขอบคุณคุณครับครับครบอาจารย์ทักนอยกันนะครับไปที่คุณสายตอนคุณสายวัตยา น้องกล่าวมัวสการค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็วันค้ายวันเกิดเช่นกันค่ะก็ได้รับพอรไปแล้วค่ะได้รับพรตอ้อนน้องเอข้าไปแล้วค่ะบอกอยังไงก็ไม่เชื่อว่าพรดีตัวเองตัวพระอาจารย์ค่ะคุณม ก, <ๆ>ก็ก็ปฏิบัติะค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็ไปบริจาคเลือดอแล้วก็ <Jub ilee> ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จไปบริจาตซื้อเครื่องมือแพทย์หนึ่งแสนบาทก็ให้โรงพยาบาลไปค่ะอาจารย์นั่นละกำลังให้พอใช้ได้แล้วน่นละค่แล้วก็สาตุนขออาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะก็วันนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลโยมโยขาหักค่ะอาจารย์ค่ะขาหักก็ไม่มีสติมุวแต่หาสตาง ใช่ค่ะจะสีใค่ะไปหยิบของให้ลูกค้าแล้วก็อ่ามันอยู่สูงนะคะพระอาจารย์<ม>ก็เอาขาไปลงไปงัดกับกับกระสอบนอ็อตแล้วตัวเองพลิกล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขามันยังอยู่ในกระสอบนอ็อตแล้วมันก็เลย<ม>หักสามท่อนก็เลย<ม>ต้องผ่าตัดมเมืนนะะ่อคืนแล้วค่ะอ๋อเนี่ยพอไม่มีสติก็ต้องเสียสตางค์เลย <laughs> ก็ตั้งของใจยาวๆอยู่ถ้าต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะก็อันนี้คืนที่สามแล้วค่ะพระอาจารย์สมวันแล้วเหรอืค่ะสามวันแล้วค่ะก็พ่าตัดเสร็จเมื่อคืนแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสักสองสวันนะคะอืมค่ะที่เดียวกับที่ไปไปจากเครื่องอ๋อไม่ใช่ค่ะก็อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ปัยนี่นะ ใช่ค่ะลงในบ้านกรุงเทพพัทยานะคะแล้วก็โยมคนนี้ก็เลยบอกเขาว่าตั้งใจว่าทุกปีก็จะไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาเฝ้าเฝ้าไขโ ย, ยมโยแต่ก็ไม่อยากจะเสียสจละตัวเองเดี๋ยวจะนี่โยมก็เลยแบบ่ขอบอกว่าเ อ, อ่นอยู่คนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวไปบริจาคเลือด ก, กับไปบริจาคที่เราคุยกันไว้ว่าทุกปีเราจะบริจาคเครื่องมือกันอย่างนี้คะ่ะอาจารย์ ถ้ามีโอกาสตั้งสัญญาไวแล้วก็ควรจะทําตามที่เราตั้งไว้ใช่ค่ะโยมก็เลยปีกเวลาไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเฝ้าเหมือนเดิมดส่วนล้านก็ให้ลูกเฝ้าแล้วก็ให้อลูกน้องเฝ้าก็ปล่อยมันช่างมันก็เอาเอาเป็นกําลังใจให้กันก่อนค่ะพอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากะพระอาจารย์ค่ะ สาธุอกให้ยุวา น, นุสุขันพลังนะสาธุค่ะไปกันย<ะ>หายหายเร็วๆนะบอกกันด้วยเจ้าค่ะว่าอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะไปที่กบัวตาคุบัวอยู่น้องครยนะค่ะกาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงสบายดีสบายดีค่ะแต่ว่า พิจารณาอยู่ว่าเวลามันทุกข์ก็ทุกข์เวลามันสุขก็สุข้องรู้ทันค่ะ อ, อ่อย่าไปยืนอย่าไปติดสุขก็อยู่กับมันทุกข์ก็ต้องอยู่กับมันเลยแล้ว อ, อ, อยู่กับสุขได้ล้วก็ต้องอยู่กับทุกข์ได้ค่ะทุกข์ผ่านแล้วตอนนี้มาเจอสุขแต่ว่าสุขก็ไม่เที่ยงค่ ะ, คะอาจารย์ออสอนเสมออ่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็มีแต่ว่า มีมุมหนึ่งค่ะพระอาจารย์เขาจะพาหนูไปมีนาฬิกาใจหนูก็รู้สึกหวันแต่ก็ไปต่อเจ้าค่ะอะไมไ่ทำไงได้ล่ะ เ, เดี๋ยวดูซูมผ่านพระอาจารย์ได้ค่ะโอเคเอค่ะทำไปทำตามหน้าที่ไปเจ้าค่ะคนคนอยากจะไปกันต้องเยอะๆเขาไปไม่ได้กันแล้วนี่ไปอย่างสบาย เจ้าค่ะไปดูแลแม่เขาเจ้าค่ะในนี้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างเจ้าค่ะก็พิจารณาอยู่เจ้าค่ะว่าเอเวลาสุขก็สุขเวลาทุกข์ก็ทุกข์แต่ตอนนี้รู้ทันอารมณ์ให้อยู่กับความเอไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่อาจารย์สอนเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะให้มีอะไรเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์นะไปที่คุณจอยต่อจอย อ่าพูดได้แลได้ยินแล้วค่ะเอ่เป็นยังไงเป็นยังไงวันนั้นหนูไปทั้งใส่บาตทั้งฟังเทศด้วยเลยอ่าคิดแล้วว่าถ้ามีเวลาก็ไปดีฝ่าจออยอยู่บ้านไม่ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยไปค่ะอืาไปเห็างน้อยก็ได้ฟังอะไรบ้างได้นั่งสมาธิบ้างเก็บเก็บแต้มมาเรื่ๆมันได้คนละน้อยเห็นแสงแต่ว่าเขาจะบอกไม่ต้องมาสนใจใช่ไหมค่ะออ ให้อยู่กับพุทโธถ้านใช้พุทโธท่านดูรวมให้อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมามันจะทําให้เราเสียสมาธิมันทำให้มันทําให้ใจมันนิ่งขึ้นได้ใช่ไหมคะบังคับใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธท่านไม่ฝึกมันก็ใจมันก็จะมันจะาให้วันวิ่งมา เราฝกมันก็วิ่งไปวิ่งก็ดีดีดีขึ้นนะ้ใช่ค่ะก็อยู่อยู่กับอยู่กับทุกข์ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอ่าอย่างมันจะหนีอะไวิ่งหาวิ่งนีทุกข์วิ่งเข้าหาสุขอืมใช่ต่อไปก็เฉยเฉยให้ให้ทุกข์มันเข้ามาให้สุขมันเข้ามาเองเราเฉยเฉยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกข์มาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยเลย อยู่เฉยๆใช่ไหมคะอะอยู ä, yeah, mind, yeah, ่เฉยๆอยู่กับมันไปไม่ต้องไปยินดียินไล้กับอะไรเลยใช่ไหมอะเฉยๆนั่นแบบนั่งสมาธิฝึกนั่งเฉยๆฝึกใจให้เฉยๆพอเฉยแล้วใจมันไม่เดือดร้อนใจใจมันเฉยๆมันก็สบายถ้ามันถ้ามันไปยินดีมันก็ต้องพยายามวิ่งวิ่งวิ่งคว้าเอาแล้วสิพอยินดีอยากได้แะ้วก็ อยู่ไม่เป็นสุขนะพอยินร้ายไม่พอไม่พอใจก็มุ่นวายกันไปอีกนะแต่ถ้าเฉยๆสบายค่ะเหมือนกับไปปฏิบัติพยายามทำพยายามทำบ่อยๆอยู่ที่บ้านเวลาว่างก็เข้าห้องมานั่งทำคนเดียวเลยค่ะค่ะขอบคุณนะไปที่คุณแนนต่อคุณแนนหนองคาย ใช่ไม่ใช่หมืนอนเดิ่กาครงการนรวัตกรรนะคะอาจรย์แล้วไม่มีคําถามก็ค่ะโอเคเลื่อนไปที่วันเอกเชียงรายนวัสการพระอาจารย์ครับอ่า่ายงไงครับวันนี้เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์มีคําถามครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครั บ, รรรบรรโอเคสบายดีนะครับสบายดีครับผม โอเคในใบที okay. ไไ่คุณนะอมรจิตล่ะใช่ไหมชื่อตัวไหนอมรจิตได้ยินไหมอี่ไหนผ้าจานค่ะอยู่ที่ไหนจ้าก็รับฟังผ้าจานอยู่เลยค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ปักช่องเจ้าค่ ะ, ะปักช่องนะค่ะเพินงเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะ เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยวันนี้เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกแล้วค่ะใครแนะนำให้เข้ามาล่ะเคยไปกราบพระอาจารย์ที่วัดแล้วค่ะแล้วก็เปิดเข้ามาเห็นว่าวันนี้พระอาจารย์มีถลายทอดสดก็เลยลองซูมเข้ามาดูซึ่งไม่เคยเคยไม่เคยซูมได้แล้ววันนี้ซูมได้แล้วค่ะพระเจ้าค่ะก็เลยฟังพระอาจารย์ แต่จริงๆฟังเทปฟังคำบรรยายการสุทแนาของพระอาจารย์ทางทางเฟซบุ๊ทุกคืนแต่ไม่เคยเข้ามาในรายการนี้เลยค่ะก็ดีรายการนี้มีไว้ให้ถ้าอยากจะถามคำถามก็ยางให้ถามในแบบสดๆนอนๆเลยค่ะก็เออยังรู้สึกยัง เรื่องทุกข์เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากทั้งๆที่ก็จริงๆแล้วถามว่าตัวเองมีทุกข์ไหมก็มีทุกข์อยู่เหมือนกันแต่บางครั้งก็อมันก็มีสุขด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับปะปนกันไปแตค่คือมันต้องรู้ว่าเรามีทุกข์สองแบบทุกข์กายกับทุกข์ใจนะเจ้าค่ะทุกข์กายนี้เราบางที่ห้ามมันไม่ได้ ค่ะแต่ทุกใจนี่เราห้ามมันได้ที่เราปฏิบัติเนี่เราต้องการมาห้ามทุกใจเข้าใจไหมเข้าใจเรื่ะงแต่เรื่องทุกกายนี่เป็นเรื่องที่เราทําไมเราคือเราไปติดอยู่กับที่เรื่องของทุกกายมากมากกว่าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใจเราจริงๆเนี่ยเออ ไปยุ่งไปเกี่ยวไปนั้นอยู่กับกายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราทำาใจไม่ได้เราต้องถอนตัวเราออกจากร่างกายนี้ <c oughs> <c oughs> อย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะต้อง <c oughs> แก่เจ็บตายเราเป็นใจใจเราอย่าไปทุกข์กับมันวิธีไม่ทุกข์กับมันก็ต้องฝึกสมาธิ นังสมาธิํำใจให้นิง่งถ้าใจนิ่งแล้วเวลาร่างกายทุกใจก็ไม่ทุกข์ด้วยปนะันนี้ใจเราไม่นิง่งเวลาร่างกายทุกจใจเราทุกข์ด้วยเพราะใจเพราะใจเราอยากจะให้ร่างกายหายทุกข์เราความอยากให้มันหายทุกข์นี่มันทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นอะสมาธิไม่ตั้งมัน <laughs> ่นจิปยอมรับปัญญ า, ก, ญญญาก็ไม่มีใช่ อัญญาเราต้องรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์พอ <Okay. S 2> ร่างกายทุกข์เราก็ใจใก็เทุกข์ขึ้นมา <Okay. S 2> ต้องทำใจอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ว่าให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไป <Okay. S 2> มันไม่ทุกข์ก็ให้มันไม่ทุกข์ไป <Okay. S 2> ใจเราเฉยๆอย่าไปอยาก รู้สึกมันยังทำใจได้ยากไม่ต้องฝึกไปไเร<ช>ื่อยๆค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาสมาธิการเมิ่มต้นใช้สมาธิหยุดความทุกข์ก่อนถ้าเรามีสมาธิณจนิ่งๆเฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็เฉยๆได้ฟังนั่งสมาธิแล้วก็ฟังพาธีสารส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนดึกที่เราตื่นขึ้นมาก็จะเปิด ของที่ผู้อาจารย์สอนบางของวันนั้นบ้างวันนี้บ้างแล้วก็นั่งสมาธิไปสักชั่วโมงได้จะชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็หลับต<อ><ป>่อได้ก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันค่ะสาธุช่วยลดความทุกข์ได้นะค่ะใช่ค่ะโอเคมีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถามอ้ไหมเออไม่แล้ ว, ลวค่ะ การพนุโมสาธุค่ะโอเคเดี๋ยวเอ่อขออนุญาตพ่ะอาจารย์มีน้องเขานั่งฟังอยู่ด้วยไ่้สวัสดีค่ะขอบค่ณอาจารย์เจ้าค่ะไม่เป็นไอาโยมอยากอยากอีกแล้วเดี๋ยวมีคำถามค่ะว่าความอยากปฏิบัติให้ได้ถึงบักผลนิภามนี่เป็นกิเลสใช่ไหมคะไม่เป็นหรอก ความอยากมันมีสองอย่างอยากอยากที่เป็นกิเลสกับอยากที่ไม่เป็นกิเลสอยากรวยอยากมีความร่มรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เป็นกิเลสแต่อยากจะทำบุญทาทานอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมไม่ได้เป็นกิเลสเป็นความอยากที่ดีเล้วค่ะเรียกว่าฉันทะฉันทะในที่แบบสี่ ฉันทะวิทยาจิตตาวิมังสาค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือทํายังไงถึงจะมีความเพียรมากขึ้นก็ต้องบังคับตัวเองกําหนดตารางต้องกําหนดตารางแทนเวลาเวลานี้ถึงเวลานี้จะจะนั่งสมาธิเวลานี้จะฟังเทศฟังธรรมต้องมีตาราง ที่ทำพยายามบังคับตัวเราให้ทําตามตารางที่เราเขียนไว้กําหนดไว้เหมือนสมาัยที่เราไปเรียนหนังสือที่โงเรียนเขาก็มีตารางให้เรียนอยู่เวลานี้เรียนวิชานี้เวลานั้นเรียนวิชานี้นูน้นคือคือสังเกตว่าตัวเองชอบฟังธรรมมากกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ไม่เป็นค่ะก็ะเรื่องต้นเราฝึกสติไปก่อนจเจริญสติไปก่อน S <S แล้วตีนี้เราจะเจรินได้ทั้งวันทั้งคืนยกไว้เวลาหลับพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ทั้งพุโทโธพุโทโธไปภายในใจก่อน อ, อ๋อไม่จําเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียว<ม>ใช่ไหมฮะไม่ไมต้องนั่งทําในทุกิริยาบททุกการเคลื่อนไหวถามน้ำนั่งหน้าแปงพันไปกขาพุโทโธพุโทโธไปแต่งเครื่อแต่งตัวกขาพุโทโธไปแล้ประธานอาหารกขาพุทโธไปเด็กค่ะอันนี้ฝึกสติก่อนพอเรามีสติแล้วต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้เองเราก็อยากจะนั่ง แล้วเวลาตอนนั่งสมาธินี่ก็พุทโธต่อก็พุทโธเหมือนเดิมาเหมือนเดิมให้พุทโธตลอดเลยแล้วต้องจับอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจับก็ได้ไม่จับก็ได้ไม่ยยีจับก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้ะลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโทก็ได้หรือจะไม่จับเลยก็ได้พุทโธพุทโธของเราไปเหมือนตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้เจ้าค่ะ แค่นี้ง่ายๆเพียงยแต่แต้องทำเท่านั้นถ้ามันทําแล้วมันก็จะเริ่มเห็นผลพอเห็นผลแล้วมันก็จะมีความยินดีมีความอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไป <Okay. S 1> แล้วค่ะบต่เริต้นต้อบังคับตัวเราเองไม่บังคับก็ไม่ได้ทำํำเราตอนสมัยเราเริ่มเรต้นใหม่ๆเราก็ไม่ได้เรามีแต่อ่านหนังสือธรรมะไม่เคยนั่งเลย แล้ววันหนึ่งมันก็ถามด้วยนะมึงอ่านหนังสือมันต้องนานนะเมื่อไหร่มึงอยานั่งทัทีก็แล้วก็เลยนั่งตอนนั้นเลยนั่งเลยได้ค่ะแล้วจะเริ่มใช่ไหะอาจารย์ถ้าไม่น้ามันก็มันก็ไม่เริ่มอยู่นั่นนะถ้ามันนแล้วมันก็เริ่มไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วเลกเวลาน้อยดีกว่ไม่ทําเลยเอาห้านาทีก่อนก็ยังดีค่อยเพิ่มเป็นสิบนาทีสิบห้านาทีไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ถ้าทําช่วง ทำกิจจะวัดประจําวันแล้วมันก็จะลืมพระอาจารย์แล้วพอนึกได้อ้าวอย่างนี้ต้องทําตารางนี่ไงต้องทําตารางใช่ไหมว่าทำไมเวลากินข้าวไม่ลืมอะทำไเวลากินข้าวไม่ลืมพอคดีบัาทำใแกล้งเร็วหรือเปล่าได้เจ้าค่ะแล้วลูกอยเริ่มเจ้าค่ะโอเคขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุก็นวนานนงตาปานานนงเชิ เป็นยังไงสบายดีเลยมาสักกันแล้วเชิญสบายดีค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เข้าเลยวันนี้เลยขออนุญาตเข้ามากราบคอ๋อไม่ต้องกราอนุญาตหรอกเข้าได้เข้ามาเลยวันทีก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะบางทีคิวยาวคนเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเข้าตั้งแต่ทุ่มครึ่งค่ะพระอาจารย์เราคิวไวยใช่เขามันจะเข้าไม่ได้เลยรู้ว่าโอถ้าเข้าเวลาเดิมสงสัยจะเข้าไม่ได้บางคนนอนอยู่ก่อนเนีอย อช่ค่ะก็เลยลองปรับเลยนะใช่เลก็เลยลองปรับเวลาวันนี้เลยลองปรับขึ้นมาเป็นทุ่มครึ่งก็เลยอน๋อ ไ, ได้เพราะทุกทีแต่ก่อนเข้าทุ่มสี่สิบห้าก็ยังเข้าได้หลังๆเริ่มเข้าไม่ได้ค่ ะ, ะก็เลยก็เลยก็เลยลองปรับดูวันนี้ก็เลยได้เข้ามาค่ะต่อไปอาจะ <ๆ S 1> ต้องเริ่มทน่ทุ่มหนึ่งแล้งสงสัยเหมือนเอต่อคิว <laughs> <laughs> <laughs> เข้าไปรอดูคอนเสิร์ตค <laughs> ่ะอ<ส>า <laughs> เรอไปตั้งแต่ตากิวตากิวซื้อไอโฟนเดี๋ยว้ก็ยังมีตากิวกันอยอ่ะนี่ค่ะพอาจารย์แต่ดีนี้เขให้จองออนไลน์ก่อนครับอาจารย์อแต่ว่าจองแล้วก็ยังต้องไปรอรับเครื่องเห็นเขาโพสต์กันนะพระอาจารย์หาว่าขนาดมีคิวแล้วยังต้องไปรอตั้งหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มันเยอะคนเยอะขอยาใช่ครั่ะก็เขาจะดีติสเทอร์กาเขาจะโปรเซสอืมนี่ทะเล อยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์ไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พระลาสิกขาไปแล้วใช่ไหมนะคะแล้ลวค่ะพระอาจารย์ลาสิกขาแล้วค่ะอ่าก็ออกมาทำงานทํางานแต่ว่าก็ยังไปวัดกันอยู่เป็นประจำค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> ติดความเวลาไปก็จะรู้สึงงกสงบดีค่ะพระอาจารย์เวลามาอยู่เพราะกรุงเทพมันก็คือเอาเป็นว่าเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดรถก็ไม่ติดใช่ไหมค่ะพระอาจารยทุกอย่างมันเงียบสงบมันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างมันก็ สิ่งเลาความวุ่นวายมันก็น้อยกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสก็จะขึ้นไปพอขึ้นไปต่างคนต่างก็อยู่ก็จะเหมือนว่าอยู่บนคนละมุมของความเอี่ยต้อปฏิบัติต้องต้องต้องเกรดเว่ยเว่ยต้องไม่คูดกรีกันใช่ค่ะก็เลยจะได้ความสมุขอีกแบบหนึ่งอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ปฏิบัติ ต้องสารภาพาว่าไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ตามที่ตั้งใจแต่ก็พยายามเจริญสติในระหว่างวันค่ะดูใจอยู่เสมอเสมอแล้วก็จานค่ะอ่าทำเท่าที่เราทําได้ครัแม่จันก็งี้ก็ก็แต่ก็แต่ก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์มากพอมีโอกาสเราก็ทําอย่างที่อาจารย์ว่าพอมีโอกาสเราก็ทําได้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ภาษาที่ครูบาอาจารย์ใช้มันเป็นเครื่องอยู่ให้เราอย่างน้อยเออมีสติอุ่นใจ ทำอะไรก็ต้องต้องคิดก่อนค่ะอาจารย์เราเราเห็นความแตกต่างในตรงนั้นนะคะอาจารย์ถ้ามีสติก็จะมีความยับยัง้งชั่งใจก่อนควรจะพูดะอะไรควรจะทําอะไรใช่เพราะว่าเมื่อวานโยมยังเมื่อวานโยมไปหาหมอแล้วโยมก็ยังกลับมาเล่าที่บ้านฟัง ว, ว่าคุณหมอท่านเนี้ยท่านก็สนใจการปฏิบัติธรรมแล้วาแต่ท่านก็ทุกครั้งที่สนทนาจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้เราเร า, เรากลัวเพราะว่าอารมณ์คุณหมอจะรุนแรงมากในความคิดที่ต่างจริง ลูกก็จะแบบไม่เคยคูดจนเมื่อวานแบบมีคํานึงออกมาเ๊ยรู้สึกมันไม่ใช่นั่บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ควรจะทําทานก่อนก็มีปัญญาก่อนถึงทำทานเออครับเอ๊ะมันมา ย, ยังไงเนาะนี่ใจสีขาวก็ทานศีลสมาธิปัญญาะอะไรเงี้ยแล้วก็หมอก็ขึ้นเลยเงี้ยนะถ้าทําทานแบบไม่มีปถ้าไม่มีปัญญาก่อนเราวไปทําทานมันก็จะเป็นการทําทานแบบโง่ๆแล้วก็เราก็เลยแบบโอ ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องแบบมีเมตตาเหมว่าเราต้องเย็นกว่าเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เลยเลยบาทีก็เอ๊ะเวลาฟังยังไงคิดควรจะจริงๆหลังก็จะฟังเฉยๆนะอาจารย์ตอนแรกจะฟังเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นพระรู้สึกว่าเวลาเราอาจจะเห็นคนละมุมพูดไปมันอาจจะทําให้แบบจ<ช>อนกันได้ค่ะแต่คำจริงเขาก็พูดถูกแล้วว่าทำอะไรก็ต้องมีปัญญา ใปัญญามันมีหลายระดับไงปัญญาระดับทานปัญญาระดับศีลปัญญาระดับภาวนามันคนละคนต่อเรื่องกันแล้วก็พูดถูกก็ต้องทาก่อนที่เราจะทำมุ่งกับใครเราก็ต้องคิดก่อนทำกัคนนี้ดีไหมทํากับวันนี้ดีไหมอันนี้ก็เป็นปัญญาแล้ว แต่เข้าใจว่าความหมายก็เลยถามว่าความหมายของปัญญาของคุณหมอคืออะไรเขาบอกก็ต้องเห็นก่อนนะคะว่าขันห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันห้าถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่ควรจะไปทําทานก่อนนะคะเราก็เฮ้ยเอ๊แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนไมนั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อค่ะอะไรเงี้ยเพราะก็นาดวันนั้นคุณหมอเขก็ยังพูดว่าเนี่ยรู้ไหมว่าคุณคุณขันรู้ไหมว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเราจะต้องมาทํางานอ่ะมันเป็นบาปมันเป็นบาปยังไงเราก็คิดวเอ๊ะมันเป็นบาปยังไง เราก็เอ๊ะมันทำไมมันถึงจะเป็นบาปเพราะว่าเราอไปคิดว่ามีเรามาทํางานมาถึงเป็นบาปเนี่ยคะเราต้องคิดว่าเป็นแค่ขันห้ามาทํางานเท่านั้นอืมอย่างเดียวเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันสุดตรงไปหรือเปล่าเพาใช่แล้วก็เลยได้แค่ฟังมาเท่นั้นว่าเออโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเลยก็เลยไม่ได้คิดส่วนตัวก็คิดว่าใช่คือเรานี้สุดต้องมีปัญญาเห็นว่าเราเป็นแค่แบบธาตุสี่ไม่ได้แบบเราไปอุปทานไม่ได้แต่ว่า ในทุกๆวันมันคงไม่ถึงกับเป็นบาปไหมคะพระอาจารยว่าตื่นขึ้นมาเออเราวันนี้ต้องไปทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยบางเขาคงหมายถึงว่ายังหลงอยู่นะคําว่าหลงน่าจะเป็นคําว่าหลงใช่ไหมคะไม่ใช่<า>แต่ท่านบาที่เราใช้กันในหมายถึงเวลาทําผิดทําทําร้ายผู้อื่นเราเรียกว่าบาปอาเ่เแต่คํ า, า, าว่าหลงเขาถ้าว่าทําถ้าทําทําผิดทางความหลงนี่ก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันอโอ แต่ว่ามันก็ในคาจริงมันเป็นเราพูดเราจะใช้คำความหลงมากกว่ามันไม่เป็นบาปเพราะว่าไม่ได้ส่งเราไปอาบายนะบาปนี่คือการการะทํานี้ทําให้เราต้องไปอาบายรับรับโทษในอภัยเช่นการผิดศีลห้า น, นี่ เ, น, เนี่ยบาปคำว่าบาปสําหรับลูกก็เลยแบบคิดว่าเออบาปของเราคืออย่างอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็เลยเอถ้าเราคิดว่าเราตื่นขึ้นมาทํา ง, งานมันก็ไม่น่าจะส่งเราไปอภัอยภูมิได้นะอย่างเงี้ยไมนะค่ะ แต่ว่าถ้าเป็ น, นความหลงมันยังทําให้เราเวียนว่าตายเกินอยู่ถ้าเป็นน่าจะใช่เ<ม>นี่ยถ้าเออทรมที่บ้านมันอาจจะต้องให้ดีจริงก็อาจจะหมายความอย่างพระอาจารย์ว่าเนี่ยแต่ว่าเวลาคุณหมอสื่อมาโอ้โหแบบเราตกใจนรว่าก็เลย็บอกว่าเพราะว่าพอดีกระเดิลคุณหมอเลิกจากว่าเนี่ยหมอแมะเอาของไปถาไวายไม่รู้ครูบอาจารย์ท่านเป็นใครเอาของไปถาไวายแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาของมาถาวายหรอกจะรับให้แหละแต่ไม่ต้องเอาของมาถาวายเราเอามาถาวา ย, ยอย่างเนี้ย ทำทานไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ยังไม่มีปัญญาอู้เราก็เคิดว่าเอ๊ะบางคนเขาก็ต้องเริ่มจากจุดนี้แหละในการที่จะสละอะไรออกนะรอาจารย์งงก็มองว่าอย่างนั้นอือก็เลยฟังเฉยน่ากลัวนะสมัยนี้มีความคําคิดคําสอนที่แป่งแยกไปเยอะใช่ค่ะพระอาจารย์จริงค่ะมันมันมีความคิดเ้วต้องยึดตายไปเดี๋ยวไหวก่อน ชรยูสคูบาอาจารย์คําสอนคูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันนะให้ก่อนจริงนะอาจารย์ยงก็ว่านั่นแหละเพราะท่านทําให้เห็นแล้วว่ามันเป็นทางแห่งการไปสู่ทางหลุดพ้นจริงๆมันถูกทำมาแล้วอ่ะพิสูจน์มาแล้วเนาะคำสอนอื่นมันก็เลยดูมันก็เลยดูนั่นแหละถ้ามันไม่ไตรงกับคําสอนของพระเจ้าเลยของพระอรหันก็อย่าไปสนใจใช่ค่ะยงก็ว่า นี่แหละโยมก็เลียกลับฟังไว้เฉยๆค่ะอะไรเยอะๆการมาสู่การมาสู่ใช่อะไยมีเล่าแค่นี้แหละค่ะว่ามีคําสอนที่หลากหลายแหลกแยกออกไปแลก็ไม่เขียนเขาเลยเขาจะพูดไงเขาไปเขาพูดไปไปยักหน้าค่ะคไปน่าจะต้องอย่างนั้นค่ะแล้วไปไปค้นคว้าดูว่าสิ่งที่เขาพูดตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนหรือเปล่าค่ะ ฟังก็ยังว่าเออแหละก็เลยว่าเออก็ก็คงต้องทําอย่างพ่อจาันว่าก็คือฟังได้เฉยๆคราาับพ่อจาย์บอกว่าเรื่องแบบนี้บางทีแบบมันเพราะว่าสําหรับตัวเราเองจะมองว่าเออเราเองถ้ายังไม่ถึงเราก็ไม่มีเราก็ไปสอนคนอื่นไม่ได้หรอกเราเร า, เร า, เราแค่แคฟังอย่างเดียวสอนเพื่อจะขัดกันไปเฉยๆอืมอือก็เลยมาเล่าท่านี้ครับพ่อจาย์แล้วก็ เราไถึงพระอาจารย์เสมอค่ะเวลาจะปฏิบัติถ้าแบาบวันไหนเหมือนผิดสัจจะก็จะได้โอ้ตายล้วเดี๋ยววันนี้เคยมีสัจจะพูดไว้กับพระอาจารย์ต้องพยายามทาเข้ า, า, <c oughs> าไว้รักษาสัจจะไว้สัจจะนี้เป็นธรรมที่สําคัญ <c oughs> เป็นธรรมที่จะ <c oughs> ผูกใจไว้ให้ทําในสิ่งที่ควรจะทำ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีสัจจะก <c oughs> ็ไม่มีอะไรยึดนะตั้งใจไว้ก็ไม่ได้ทําันทีใช่ค่ะ เป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ต้องทําเอาไว้สัจดิ์เจนก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทําอะไรก่อนจะตั้งใจจะทําอะไรนอกฐานด้วยว่ามั่นใจไหมว่าที่เราจะมีศักดิ์เจมันสำคัญค่ะเพราะว่ามันนหลับบางทีเวลาตั้งเวลาตั้งใจก็โอ้คิดดีจะทําอย่างนี้ทํานี้บตงเวลาจะทํำอ้าวไม่มีเวลาไม่ว่างบ้าเหนื่อยบ้างร้อนบ้างมันหลอกเราต้องอย่างเลยมัน อใช่ค่ะจริงค่ะกิเลสไม่จริงค่ะพระอาจาย์ถึงต้นตั้งสัจจะตอนที่นั่งใต้ต้นโพตั้งสัจจะในฐานใช่ค่ะพระองค์เดี่ยวจริงๆค่ะต้องระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอว่าถ้าไม่ได้ตรงนั้นก็คงไม่มีสิ่งที่มาให้เราเป็นทางเดินในวันนี้ใช่จริงอ่าอื่ครับอาจารย์ะอาจารย์รักษาธัตุขัดนะคะใช่สาธุอาจารย์วัที่ชายนาคุณาธกา เชิญสาธิกามาวางความคัมกับอาจารย์ไม่มีคํำถามไม่มีคําถามน ะ, ะสบายสบายดีนะไม่มีกิเลส น, นะค่ะ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคยังไม่หมดน ะ, ะคอ่คอยเก็บค่อยกวาดไปเรื่อยๆ<า>ตัว<ช>ส<า>องตัวก็ยังดีนะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไร าการนักเสกกรพระอาจารย์ค่ะอ่าโนกุโนกันมาหนะ้าโนกเนาะรอฟังอยู่ค่ะหลับไปนี่วันดีพระอาจารย์อ่าวันดีจ้าค่ะสุขสบายดีนะร่างกายร่างกายพรบอาจารยนะ์เน่ะอืมนะร่างกายพร้อมที่จะไปลุยนะ้ลุยค่ะพร้อมที่จะไปลุย อ, อย๋เ อ, อ เดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าฮะเจอหมอส อ, องสาหมออาทิตย์หน้าครับสองวันเจอสามหมอฮะอืตัวให้เรียบร้อยก่อนนะเห <c oughs> มือนมันเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเจะคำว่า <c oughs> ไปไกายทางไก ล, ล้องไปเช็คสภาพรถยนต์ก่อนก่อนจะไปที่ไหนอะตันทางไกลก็ไปไปเช็คสภาพร่างกายก่อนก็โอเคฮะถือว่าใช้ได้ครับอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปตรวจก็เพะ พรงนี้ตัวเลือตันหลายอย่างค่ะผลลงมาก็จะเป็นที่ประจักษ์กันนะว่าพอไหวหรือไม่ไหวต้องไหวสินะต้องไหวต้องไหวไหวฮะใจใจมันไปซะแล้วอยากไปละโอเคโอเคโอเครักษาทางกายดีมากกลาวขอบคุณคุับอาจายอาจารย์นะครับท้าขันค่ะ แอ่ถูกค่ะไปต่อคุณสุภาพจารย์อาจารย์สุภาพจารย์ตอบน้ำมัสกัรปลาอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงนนี้สอนหนังสือป่ะตอนนี้ยุ่งกับการทำวิจัยแล้วค่ะขอทุนไว้เยอะหลายที่เลยเนื่องจากการเขียน เขียนโครงการวิ จ, จัยแล้วค่ะเออเหนื่อยหน่อยแต่ว่าลูกก็พยายามตื่นตีสี่กว่ามานั่งสมาธิก่อนไปทำงานเจ้าค่ะอืมดีความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ให่นั่นตุจ <c oughs> พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพนะียรนะอย่าไม่ <c oughs> มีแ <c oughs> ต่ทฤษฎีมีแต่คิดแต่ไม่ทำก็ผลยังไม่เกิด มันจะเกิดตั้การกระทําไม่ได้เกิดจากการคิดการอ่านนะเจ้าค่ะก็พยายามเจ้าค่ะถึงแม้ครึ่งชั่วโมงก็ก็ยังรู้สึกว่าดีเจ้าค่ะที่ยังได้ได้พยายามตื่นมันนั่นก่อนไปทํางานเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะคระอาจารย์ปฏิบัติตอ่อสาธุเจ้าค่ะไปที่ก็ยินดีค่ะ อเมริกานิวยอร์กค่ะเป็นยังไงม่มีคําถามนะค่ะไม่มีคำถามเดวิดสบายดีค่ะสบายดีค่ะว่นเช้าเขาผ่านไปก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็าบอกว่าวันนี้ค่ะเขาจำใบทุกวันเลยเนะค่ะทุกวันเพื่อจะเตือนทุกครั้งค่ะท่านอาจารย์นี่ตอนทุกครั้งค่ะลูกก็ดีการที่เขาระลึกถึงท่านอาจารย์เสมอก่ะท่านอาจารย์ใช่ทุก อย่าลืมบอกปอย่าลืมบอกปานเต้ด้วยนะอเคขอบขอบคุณมากนะไว้ท่านอาจารยสังงานค่ะท่านอาจารย์โอเคอ่าไปที่คุณปานวัดไร่ต่ อ, อเดี๋ยวก่อนผ่านข้ามคนอ่านคุณปานวัดไรอ่ใช่จริงหนก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาเรียนธรรมะแล้วก็มาซึมซับพลังงานดีๆเจ้าคะ่ะยังใช้สูตรสมยออยู่เ่าใช้อยู่เจ้าคะ่ะ ใช่นะเอ่าไม่ลืมนะใชไปอย่างดีเลยค่ะเวลาที่หนูจะคือ ห, หนูก็มีคลาสในการสอนพนักงานนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเอ่อชื่อตัวแทนเนี่ยค่ะว่าเราอะไรหนูก็จะบอกน้องๆ น, นะคะ่ะว่าหนูเป็นมิตรสามยออะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็จะเล่าให้น้องๆฟังว่าเออเมื่อก่อนพี่เป็นคนใจร้อนนะตอนนี้พี่ใช้หลักอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะย้ำเตือนได้ค่ะว่าทุกๆครั้งอะคะ่ะเราก็ต้องใจเย็ น, นะคะ่ะ เย็นแล้วมันก็สบายค่ะคน้องคาสอนพระอาจารย์ทุกๆครั้งค่ะค่ะจุ๊ค่ะแบททิคุชันนี่แบงคองนนีบตอนนี้ไม่ค่มีคําถามด้วยไหร่นะนกล่าวนาัสการพระอาจารย์ค่ะคุณแม่จะมากล่าวค่ ะ, ะวันดีก่าพระอาจารย์ค่ะพระอาจาจรเป็นยังไงค่ะจุ๊ก็สบายดีพระอาจารย์สบายดีนะคะ ใชาสบายดีอืมวันนี่มีอะไรจะถามหรือเปล่าหนูไม่มีค่ะไม่มีไหมใช่ทำไมจะลดอัตราลูกกดหลงอะไรลักโลกกดหลงหนูได้ยมทำได้สามอย่างเหลือแต่โลกอย่างเดียวโลกในการเทรดทอง พยายามว่าอยากไม่อยากเทรดทองป้าอาจารย์เตือนแล้วว่าวันนั้นมันเป็นนายายามุกพยายามกดใจไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เทรดเวลาตายไปเราไปได้เปล่าทองไม่ได้ตั้งัต่ที่เราก็มีเงินแบบกินไม่หมดแล้วอาจารย์นี้ก็ยังอยากแค่นั้นอยากพยายามกดใจไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เทรดไม่เทรดพยายามว่าทำไมจะหลุดจากวงจรนี้ได้สักทีพอมันเคยทํามาหลายปีแล้วแบบอย่าไปเปิดเครื่องเล อย่าไปเปิดเครื่องใช่ฟังฟังนักวิเคราะห์ด้วยเสียพอฟังแล้วเขาก็คอมเมนต์คนนู้นก็ได้เยอะคนนู้นได้เยอะทําให้เราแบบความโลภอยากอยากอยากจะอยากได้มันเขามั่งแต่คิดถึงความตายบ้างแล้วมันจะสกัดความโลภได้แต่ก็นึกถึงความตายตลอดเวลาแล้วก็ว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอตัมมาก็เราจะ อ้างว่าไหวลูกลูกเขาก็มีหน้าที่การางานดีอยู่แล้วเป็นเป็นสัจจกรอยู่แล้วก็วอยู่หาเงินได้แล้วอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ไม่รู้ก็ยังพยายามว่าทายังไงอนั่งสมไม่ได้นั่งแต่ว่านอนสมาธิอาการแต่ว่าเออไม่ว่าไปไหนกับรถหรถหืออะไรจะนึกพุโทโธตลอดอืมการยันสมาธิสมาธินี่มันดีกับทองเนะทองหำใจให้เราร้อน ทำมาซึ่งทำใจให้เราเย็นนะค่ะก็ก็เย็นมาเยอะแล้วแต่มันยังแบบเมันก็อยู่ในมันติดกันมันหลุดไม่ได้แต่พยายามมันนอนไงมันนอนค่ะก็นึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่ามันอาจจะเป็นออบายามุกก็ได้เพราะว่าอคือพอเราเทดไม่ได้ได้กําไรน้อยเราก็ทุกข์เหมือนที่ลูกก็บอกเทดไปได้ได้กําไรพอเทดไม่ได้ข้าวไม่ได้อีกก็ทุกข์อีก ไม่รู้จะเข้าจุดไหนของมันเพราะว่ามันเทรดยากอะเข้าเทรดท้โอกาสที่จะโดยอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกไปหมดอืแบบรอนไม่ได้บางอย่างเงี้ยก็เลยพยายามไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เล่นไม่เล่นพยายามท่องถ้าเราไม่เดือดร้อนก็อย่าไปเล่นดีกว่าถ้าเรายังเดือดร้อนยังต้องมีรายได้อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ตอนนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ยังไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อน แต่ห้ามใจไม่ไดห้ามใจไม่ไดแต่นั่นแหะค่ะทํายังไงสงสัยต้องอย่าเปิดเครื่องเลอย่าเปิดเครื่องค่ะค่ะต้องไม่ดูบ่อยๆดูบ่อยมันขึ้นเท่าไหร่แล้วมตลงเท่าไหร่แล้วค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะจัดตู้ค่ะจัดเ่าจัด ความคิดถึงความตายเนี่ยดีนะเยวต้องเอาคิดถึงความตายบ่อยๆหนูพิจนาประจํานอนแล้วก็พิจนาว่าความตายเหมือนว่าเราถ้าเราในร่างกายเรานี้ก็ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรจิตก็<ป>เหมือนว่าจิตเราก็ยังอ่อนไม่ได้แก่ตามที่เราแก่ไปด้วยอย่างเงี้ยใน<อ>จิตจิตทําไมดวงจิตถึงไม่แก่ตามที่ตัวเองแก่ทั้งหกสิบกว่าแล้วค่ะอืทําไมก็ไม่แก่ มันจิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันก็ไม่ได้แก่โอ้โหหรือว่าเออนั่นน่ะสิหมาความรู้สึกเหมันจิตมันไม่ได้แก่ไปตามร่างกายเลยค่นนะค่ <laughs> <laughs> ะ, ะแต่ทุก้งแบบจ๋าจ๋าโอเคไปทีนะ่น้องเอิญต่อน้องเอิญกล่านามสกุลค่ะพระอาจารย์เกี่ยกับเอิงมีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกที่ ต่อจากน้ากุติค่ะเพราะอาจารย์ให้เอิงลองถามเอไอแต่ว่าให้เอิงทวนคำถามไหมคะเผือ่อพี่ๆในซูมจะได้เข้าก Mm hmm. คือเอิงถามใน AI แล้วก็ถามจากหน้ากุติพระจันสุชาติค่ะว่าเออเอิงแบ่งชีวิตของเราเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกคือช่วงที่ไม่มีสติมีแต่ความไม่รู้อะไรที่เข้ามาก็ไปกับมันทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วก็แบ่งอีกช่วงหนึ่งคือเป็นช่วงหลังจากที่เราปฏิบัติค่ะแล้วเราก็เริ่มมีสติมากขึ้นรู้ทันมากขึ้นแต่ว่าผล การกระทำในช่วงแรกเนี่ยมันต้องส่งผลมาในปัจจุบันอย่างแน่นอนเออก็เลยถามไอว่าแล้วเราแล้วฉันควรทำอย่างไง AI ก็เลยตอบว่าแบบสิ่งที่เอิงกำลังมองอยู่คือเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้อย่างชัดเจนว่ากรรมเก่าย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลา แล้วก็แต่ปัจจุบันคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำกรรมใหม่แบบไหนแล้วเขาก็บอกวิธีการปฏิบัติกับผลของกรรมเก่าด้วยค่ะบอกมาสี่ข้อค่ะพอาจารย์ข้อแรก บ, บอกว่าให้ยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางค่ะว่า นี่คือผลของการกระทำที่เราเคยทำไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือกฎของธรรมชาติอันที่สองไม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลซ้ำแล้วก็อันที่สามสร้างกรรมใหม่ที่ดีแล้วก็อันที่สี่ใช้ผลกรรมเก่าเป็นครูค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกซึ่งตรงกับที่พระพุท ธ, ธเจ้าเคยบอกไว้ว่า บุคคลย่อมลบล้างกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ที่ดีกว่าได้แปลว่าถึงแม้ว่าผลกรรมเก่าจะตามมาแต่ถ้าเราสร้างเหตุใหม่ที่เป็นกุศลบ่อยๆแรงของกรรมดีก็จะกบและช่วยให้ใจไม่ถูกซึ่งเอิงไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ฟัง <c oughs> พ่อท่านดีก็ดี <c oughs> ก็เอามาเก่ง <c oughs> ก็เก่งกก ง, <c oughs> งั้นหลต่อไปไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปหาพระแล้ มีมีมีไอเป็นคนให้ทำปรึกษาได้ทุกอย่างเออก็ต้องใช้หลักกอนเรามาส่วเราไม่ทำพระอาจารย์ดีกว่าค่ะค่ะส่วนส่วนส่วนอีกอันหนึ่งอะค่ะที่อยากมาบอกพระอาจารย์ค่ะคือเอิงตั้งใจที่จะกินมื้อเดียวเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดประโยชน์กับเอิงใช่ไหมคะแล้วพอเหมือนแต่เอิงอะยังมีการกินช้าอยู่ค่ะทีนี้เอิงก็เลยรู้ อะไรนะคะชาไข่มุกเอเอาชาเขียวแล้วก็กาแฟาอะไรแบบเนี้ยคะ่ะซึ่ง<ร>ตอกนกนั้นก็กินพร้อมอาหารดลใช่เอิงกินพร้อมอาหารคะ่ะแต่แต่บางค่ะอพอพ อ, พอไม่กินนะพอหลังจากนั้นก็ไม่กินทั้งวันกินน้ำเปล่า แต่บางครั้ ง, อองอเอองก็หลอกตัวเองว่ามันคือน้ำปลาเน่ะหมายถึงเป็นน้ำกินได้ตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่เอองอ่ะตั้งใจตอนนี้มาเป็นวันที่สี่ละค่ะว่าแบบเออจะไม่กินเลยแบบว่าถ้าอยากกินเมื่อไหร่กินน้ำเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสู้กับกิเลสอีกหนึ่งอย่างค่ะพระอาจารย์ดีแล้วก็เป็นคนชอบถักเปียค่ะพระอาจารย์ทําผมถักเปียก็ลเลยตัดผมเลยอ่าเนี่ตัดม <laughs> ันก็โกน <laughs> เลย <laughs> ยังไม่ถึงวิธีวัดความเจริญทางธรรมก็คือดูที่ผมเนอะถ้าผมยิ่งใส่เงินแสดงว่าทางธรรมยิ่งเจริญโอเคค่ะพระเจ้าดูดูพระพูพะเจ้าดูพระหานั่นไม่มีผมเลยไหมค่ะไม่จะเก็บไม่ไม่ทำไมเกลดกาจะตายไอมก็คิดอยู่เปลืองยาสาผมแต่ว่า ยังอยู่กับสังคมม่้งคะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่ายังตัดไม่ได้มีมีเรื่องนี้อยู่ค่ะอืาเท่าไรเขาทายังไม่สูงพอค่ะเออยอมรับค่ ะ, ะถ้าทาสูงพอมันตัดได้หมดเลยค่ะก็ะดีตัดได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะค่ะพระอาจารย์ดีแล้<บ>มีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้ก็มารายงานพระอาจารย์สองเรื่องนี้ค่ะโอเคไปที่คุณสเลนทอนต่อ มันเจริญทันเชิญกับหนูนมาสักการพระจย์เจ้าค่ะพระจาจะไปดูไปย อ, อผมอยาวสั้นนั่นราลคะค่ะหนูเดี๋ยวูไป ต, ตัดอีกค่ะเผื่อว่าแต่ของหนูเริ่มไม่แน่ใจค่ะพระจย์หนูตัดผมก็อาจจะไม่ได้แปลว่าความจเจริญทางธรรมจะสูง ข, ขึ้นกับพระจา<ม>้าค่ะก็อาทิตย์นี้หนูก็รู้สึก อืมอาทิตย์ที่แล้วคุยกับพระอาจารย์นะค่ะแล้วเหมือนกับการปฏิบัติลดลงก็รู้สึกผิดนะคะ่ะก็เลยปฏิบัติเพิ่มขึ้นของอาทิตย์นี้ค่ะแต่เหมือนกับว่าพอพอพอนั่งแล้วเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านที่อยู่ในจิตในขณะที่ก่อนที่มันจะแต่เราก็แต่เราก็เรกจริญสติพุทโธพุทโธตลอดเวลาจนจนจ น, จนมันดับไปนะคะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าในขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยมันยังมีตัวฟุ้งอยู่เยอะอะคะ่ะ ตัวฟุ้งนี้มันก็หลุดไปในทางของนิมิตอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็คือมันเราก็ดึงมันกลับมามันเป็นการต่อสู้ตลอดเวลาเลยว่าสู้ดึงมันกลับมาจากจากความฟุ้งซ่านกลับมาเข้ามาสู่สติแล้วก็เข้าสู่ความสมมงบอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายก็ ส, ยกสุดท้ายก็นั่งนั่งได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งได้พอสมควรเขารู้สึกว่าใช้ได้แต่ครำนี้หนูมีคําถามนิดนึงนะคะหนูอยากจะทราบว่า อพบภูมิต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือลักษณะของนิมิตหรือเป้าขาผาจารย์ไม่หรอกมันมันก็พบภูมิก็เหมือนเหมือนอย่างที่มันเป็นเหมือนเราเรียกว่านิมิตก็ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับความฝันไงถ้าเราฝันดีก็เราก็อยู่ในสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายเราก็อยู่ในอบายมันเป็นเรื่องราวเหมือนกับตอนเหมือนกับตอนที่เราเตือนเพื่อนั้น เวลานอนหลับเราก็ฝันเวลาเราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันเนี่ยเราแค่เป็นเป็นเรื่องราวมันเตอนที่เราตื่นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันสงบไปได้ในระดับไหนก็คือก็คือระดับนั้นก็คือเหมือนกับที่ว่าไปเป็นเทพหรือไปเป็นพรมเทียบกัเอด้ใช่ถ้าเป็นสมาธิมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่ฝันมันก็จะเป็นความว่างไปอันนี้กจะเป็นเป็นเรื่องเป็นสวรรค์ชั้นพรมแต่ถ้า แต่แต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีไปเที่ยวที่นั่นไปพบคนนั้นคนนี้มีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พี่เรียวเป็นสวรรค์อันนี้เกิดจากการทําบุญทําทานสอนทันเทปแต่ถ้าเราไปไปอยู่ในสภาวะสงครามไปยิงกันไปฟันกันเนีแสดงว่าเราอันนี้เป็นเรื่องของวิบากของของบาปที่เราทําตอนที่เราอาจจะมีทรเาะกับคนนั่นทรเลาะคนนี้มีเรื่องมีราวกันฟ้องร้อง ก, กัน Mm hmm. เกลียดชังกันก่อเกียดกั น, mm hmm. นเห็นไหละนอนหลับแล้วก็จะฝัน เ, เรื่องเรื่องเงี้ยเรื่องอดได้ทางลุ่ต่างๆเรื่องการฆ่าฝันกัน mm hmm. ก็มันก็เป็นความฝัน mm hmm. เนี่ยบภูมิต่างๆมันก็เป็นความฝันแล้วเวลาที่เราตื่นมาก็คือเราก็ตื่นแล้วก็กลับมา เกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เวลาได้นั่งได้นั่งกายใหม่แล้วก็เหมือนเรา่าตื่นขึ้นมาเราเอ้ามาจากท้องแม่ก็ลืมตาม่าขึ้นมาแล้วก็ร้อง <ừ> อันนั้นเ <ừ> พิ่งตืง่นขึ้นมาจากการนอนหลับอันยาวนานไม่รู้กี่ปีกว่าจะได้าามาเกิดอืมวนี้เราก็ฝันมากกว่าอยู่กับความเป็นจริงสิคะในชีวิต <S 1> <S 1> ใช่ส่วนใหญ่ ก, ก็จะจะอยู่กับความฝันอืมวนี้เราก็หลงตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ มันก็ถ้ายังไม่ไปไม่ถึงนี่พันก็ยังหลงอยู่เพราะเร า, เราดึงสติในขณะที่เราอยู่ในนิมิตหรือวอยู่ในภพบุญต่างๆขณ<ล>ะที่ที่นั้นเราเร า, เราใช้สติไม่ได้เราไม่มีสติที่จะใช้มันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้เป็นตัวสร้างสร้างความฝันเหล่านี้สร้างเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเราแล้วพอหมดผลบุญผลบาปก็ปไปเกิดใหม่ก็ไปรับเปนเได้ร่างกายใหม่ พอเรากลับมารู้ถึงจะมีสติได้ว่าเรามาพบพระพุทธศาสน า, ส า, สนาจึงมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอีกรอบหนึ่งยังไงหรอคะทีนเราก็มีนิสัยเดิมอยู่แล้วถ้าเราเคยปฏิบัติทําบุญทําทานแล้วก็จะมาทําบุญทําทานต่อถ้าเราเคยทําบาปล้วก็ยังมาทมํททาบาปต่อเหมือนกันเราเคยถนัดมือขวาแล้วก็เวลามาเกิดใหม่เราก็ยังถนัดมือขวาอยู่เหมือนเดิมคือการกระทําต่างๆมันเป็นเหมือนนิสยัยไปเลยมันนิสัยติดไปกับใจ นิสัยทำบุญนิสัยทำบาปมันจะติดไปกับใจคนที่มาจากอบายนี่เป็นคนที่มีนิสัยชอบทำบาปอ่าพอมาเกิดก็จะมาทำบาปต่อค่ะแต่คนเราทุกคนมีทั้งทำดีและทำชั่วมาก็มันมีแล้วแต่สลับกันไปปนกันไปแล้วแต่บางคนก็ทำดีเยอะกว่าทำชั่วบางคนก็ทำชั่วมากกว่าทำดีเปอร์เซ็นต์มันไม่ท่ามันไม่แน่นอนไงบางที ไป 50, 50, 40, 60, 40, 60, 70, มงที่ห้าสิบห้าสิบมงที่สี่สิบหกสิบมงที่เจ็ดสิบสามสิบเราถึงได้หลายสัปอาห์ อ, อย่างพวกที่เป็นคนดีเขาก็จะเก้าสิบก้สิบอย่นีอาจจะทำดีเก้าสิบเปอร์เซ็นตทำบาปแค่สิบเปอร์เซ็นอย่างนี้เท่ากับว่าในชีวิตเราเนี่ยเราก็ควรจะเพิ่มเพิ่มระดับการทำความดีให้มากที่สุด ใช่ลดการลดลดระดับการทำความชั่วให้น้อยลงตามคำสอนพระเจ้าสามประการใ ห, นหน้นาการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรให้ทรัพพอกจิตใจให้สะอาดอันนี้เป็นขั้นที่สามคือลดกิเลสให้น้อยลงไป เ, เรื่อยๆการศักษาแต่ว่ารู้อะค่ะพระอาจารย์สมมติว่าพอใจเราเริ่มคิดถึงกิเลสแล้วว่าเนี่เราจะต้องแบบไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าเราคิดลบลักลบกดหลงอย่างเงี้ยค่ะ การสักแต่ว่ารู้ก็ถือว่าเป็นการดับกิเลสเพื่อให้เรายังคงดำรงอยู่ในธรรมอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราเราไม่ใช่รู้เฉยเฉยรู้แล้วอยู่ที่ว่าเราไปทำหรือไม่ทํามากกว่าไม่ทำแล้วถ้าไม่ทําก็เราก็ดับกิเลสไปได้มันชวนเราไปช้อปปิ้งเราไม่ไปชวนเราไปดูหนังฟังเพลงเราไม่ไปนี่เราก็ตัดก sure> ิเลสแต่มันจะตัดแบบไหนมันตัดตัดได้สองอย่างตัดแบบสติ ก็ตัดแบบแบบปัญญาถ้าตัดแบบสติมันก็จะตัดแบบได้ชั่วคราวคราวนี้ชวนไปยังมีสติก็ไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าถ้าตัดได้ปัญญาบอกว่าไปแล้วมันทุกข์ไม่ไปดีกว่าเอันนี้ก็มันก็จะตัดแบบถาวรถ้าเราเห็นการกระทำต่างๆที่กิเลสต้องการเราทำนี่มันนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขมันก็ตัดแต่สติเราเพียงแต่ เลยแต่ว่ามันอยากจะไปแต่เราใช้สติไม่ไปแต่เราไม่รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราไม่ไปเห mm hmm. ็นว่าเรายังอาจจะมองไม่เห็นตายรักในการทำสิ่งที่เราไปกระทานะมั น, น, เ, ปนเป็นตายักตอนนั้นเราคิดว่าเป็นสุข mm hmm. สุขที่เราได้มันจะกลายเป็นทุกข์ต่อไปเพราะว่า ส, สุขแบบไม่เที่ยงเช่นเวลาไปไปเทีย่ยวก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไป ทำให้าอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกไปเที่ยวบ่อยๆพอพอไปพอม่มีเงินไปเที่ยวทีนี้ก็ทุกข์ก็สิเรามองไม่เห็นผลนิยตามมาว่ามันจะจบลงที่ความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้มันมีความสุขแบบแบบชั่วคราวแบบสุขต้นแต่ทุกปลายง่ายๆมันก็เลยทําให้เราต้องพิจารณาทุกวันเพื่อให้เราเตือนสติตัวเองว่าทุกเอยียง ทุกอย่างไม่เที่ยง<ม>อย่าไปทําอย่าไปเข้าสู่อย่ากสิงแต่วันมันจะทําให้เราติดเราต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราหาไม่ได้เรก็จะทุกข์เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราแก่ลงเนี่ยไปไหนไม่ได้นี่ล้วก็จะทุกข์แล้มันจะการเสื่อมเศร้าขึ้นมามนไปมไม่ได้ไปเทีย่ยวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไปไม่ได้ครับอ า, าจารย์ค่ะเข้าใจแล้วครับอาจารย์อันนั้ใช้ปัญญา แต่ถ้าใช้สติก็คือฝืนใจทำใจเฉยๆอยากจะไปไม่ไปดีกว่าแต่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไหมคะพระอาจารย์เพราะ บ, บางทีปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นคือมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้อะคะ่ะอาจจะต้องใช้สติหรือว่าสมาธิตัดก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาอย่างนี้ไหมคะใช่ปัญญานังฝึกสติก่อนฝึกสติเช่นจะไปเที่ยวไม่ไปดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าฝืนมัน ใช่ค่ะหนูก็รู้สึกว่าเวลาที่นั่งสมาธิหนูต้องฝืนมากๆเพราะว่าความฟุ้งมันเข้ามาความคิดมันเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็ดึงดึงมันแย่งยื้อกันเหีืยค่ะระหว่างความคิดกับความสงบอขึ้นเป็นความเอ่าค่ะถ้ารักษาให้ใจเป็นสักแต่ว่ารู้ได้มันก็ไม่ไปทําตามทีเลยอาภารจันทร์แก็มีสองวิธีักรักษาด้วยสติพุทโธพุทโธไปแล้วสติ ถ้าใช้ปัญญาก็เห็นตายนักในสิ่งที่เราอยากจะทำว่าเป็นทุกข์นะ้อันนี้จังทุกขงขังหน้าตาเราก็จะไม่ทำเราก็จะเลิกทำอย่างถาวรเลยถ้าเห็นว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นตายนัก ซึ่งความคิดความความรู้ที่เกิดจากปัญญานี่มันจะค่อยแทรกซึมเข้าไปในจิตทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งให้จนทำทําให้จิตของเราเนี่ยมีพลังที่กล้าขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วเราพยายามสอนใจเลยเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นตายรักหมดเห็นนั่งกายร์ด ก, ก็เป็นตารั mm hmm. เห็นเงินทองก็เป็นตารักทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทนะั้งนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนถาว mm hmm. รอพเวลนลิจังเมื่อมนเวลนลิจัง เวลามันเสือ่อมเวลามันหมดมันก็จะทาให้เราทุกเงินหมดเราก็ทุกใช่ไหมพองเงินไม่พอใช้ก็ทุกค่ะถ้าเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ทุกกับมันถ้า<ช>เราอยู่แบบไม่ใช้เงินได้เราก็ไม่ต้องทุกกับมันใช่ค่ะก็ เ, เมื่อถีพระอาจารย์พระอาจารย์สองสั่งสอนหนูว่าอย่าไปคิดเรื่องการเงินมากอย่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้พิจารณามานานรณาหัวสติว่าเดี๋ยวก็ต้องอ ตายกันทุกคน อ, อย่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอยงี้มากเท่าไหร่คนยังเป็นวิธีหาความสุขจากการใช้เงินทองมาใช้ใช้สติแทนอ ย, อ, อย่าไปอย่าไปใช้สตานม์นเครื่องมือให้ความสุขเพราะ ส, สตานมันไม่แน่นอนอแต่สตินี่มันแน่นอนกว่าถ้าเรามีสติแล้วเราก็สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ จริงค่ะพระอาจารย์แล้วใจมันก็จะสงบแล้วก็ไม่คิดฟุง่งซ่านค่ะแล้วก็มีความสุขไม่ต้องไปเที่ยวก็มีความสุขได้ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะนั่นต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่ไปหาความสุขจากสตางค์ให้หาความสุขจากสติคือมันจะเกิดขึ้นเวลาที่สมาธิมันอ่อนนะคะแล้วมันก็จะเริ่มมีตัวฟุ้งเข้ามามันต้องอพยายามรักษาให้ต่อเนื่องถ้าทําต่อเนื่องได้มันก็จะไม่มีความกังวลมันก็จะไม่มีมันก็จะมีอุเบกขาอยู่ในตัว อยู่ข้างในดึกเลยก็ค่ะว่าไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรไนั่นก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็จะมีคําว่าเป็นอยู่ในใจอะอค่ะสัจธว่ารู้ไปค่ะแต่ต้องฝึกมากมากฝึกสตินั่งสมาธิมากๆอันนี้จะสัจธรรมรู้ได้ค่ะค่ะค่ะค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความเมตตานะคะจ้าสาธุนะโอเ ค, คต่อคุณทับต์ต่อ ลกลับแล้วมาธนาคารพรอาจารย์ครับอ่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่นนทบุรีครับอ่าอันนี้ทำงานอะไรหรือเปล่าอ่าวันนี้ทํางานครับแต่ว่าเมงาอไม่ได้ทําเยอะครับแค่ตรวจตรวจจานวนเช้าเย็นไปแถวเฉยครับเป็นตํารวจไม่เป็นทหารอ่าเป็นตํารวจครับอ่ามีอะไรจะถามไหมวันนี้อะยังไม่มีครับครับยังปฏิบัติอยู่นะ ครับวันนี้ปฏิบัติถือศีลแปดครับ อ, อยายามนั่งสมาธิด้วยนะครับผมโอเคถ้าไม่มีก็ไปต่อนะขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอไปที่เสี่ยงหายคุณเฉินเจินเฉินยินไหมได้ น, นะ ก, ะกากรรมน้ำกรรมน้ำมัสการหลวงพ่อคะอ่ะวันนี้ตัดผมสั้นลคะค่ะเหรอทําไมล่ะตัดองสั้นเพราะว่าอยากจะเจริญธรรมนะคะ อ๋อปารีบาก็ปารีบายอยู่นะคะอ่า mm. แต่ว่าอ่าวันนี้มีคำถามนิดหนึ่งละเอียดนิดหน่อยนะคะอ่ mm hmm. เพราะว่าเราถ้าถ้าเราเราได้ทำรูปแบบสมชั่วโมงถ้าเรานอนห้าหกชั่วโมงใช่ไหมยังเหลือที่เหลือสิบห้าชั่วโมงมันก็ต้องรู้สึกตัวก็คิดว่ามันรู้สึกตัวมันสำคัญมากๆเลยคะ่ะอ่าทีนี้ อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าอาหารใช่ไหมเราตัดอาหารนะเอ่อหยิบอาหารแล้วก็ขึ้นมาเอาไว้ในปากแล้วก็กลือนแล้วก็ความรู้สึกว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ทางจิตก็รู้สึกว่า อ, อาหารตัดที่ในปากมันจะชอบหรือไม่ชอบถ้าถ้าถ้ารู้สึกว่าความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ดูจิตตัวเราว่า อ๋อจีเรากําลังชอบอยู่ถ้าชอบชอบมากๆากนะเราก็จะยิงเข้าไปในในอาหารอาหารจันนี้อะอายอร่อยมาก妈อร่อยม妈อยากจะตะัดเยอๆะๆตัดเยอะๆอย่างนี้เป็นยิงเข้าไปหรือว่าก็มีความรู้สึกตัวอยู่ก็เลยอตรงนี้ก็ยังไม่เย่ยไม่ออกว่าอย่างนี้ก็รู้สึกตัวว่าเราก็ชอบแต่ว่าชอบมากๆก็ตัดมากๆแล้วอันนี้ก็จะยิงเข้าไปหรือเปล่าคะ หลวง่ขอขออธิบายนิดหน่อยได้ไหมคะโดยการฝึกสตินี้มันมันเราไม่ต้องไปคิดว่าชอบไม่ชอบให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าเรากําลังกินกําลังตักข้าวเข้าไปในปากแล้วก็กิเข้าไปอันนี้เพื่อที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นธรรมดาลางทีเรากินไปแล้วเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นี่เรียกว่าไม่มีสติ ตอนตอนนี้เราต้องการฝึกสติก่อนอย่างเดียวคือฝึกให้มันใจให้อยู่กับร่างกายร่างกายทําอะไรก็ให้เข้าดูการกระทําของร่างกายตักข้าว ใ, ใส่ปากเคี้ยวเกินเข้าไปอันนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าชอบหรือ ไ, ไม่ชอบอะไร อ, อืมแต่ ว, ว่าใจก็ปรงแต่งต่อล่ะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ชอบเราไม่พอใจอะไรปรงแต่งต่อแล้วก็รู้รู้ทันจิตว่า มันมันตรงนี้จิตเป็นยังไงได้ไหมคะเพราะว่าก็เป็นดูจิตพร้อมกันดูกายหน่อยได้ไหมคเ น, เนเฉินเฉินเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเสียเพิ่มตอบได้ไหมไม่เป็นไรค่ะหลวงพอ่อทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วคะ่ะเป็น อ, อันนี้จังทุกข์ของอนนาตาก็เลยต้องใช้ตัวอีกตัวสําล่ามาต่อค่เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเรื่องสติสัมปัญญะ ใช่ก็ก็กคลิดว่ามันถ้ามันมันตัอาหารใช่ไหมมีทางร่างกายแล้วก็ดูจิต ด, ด้วยอะ่ะเพราะว่ามันจิตมันผูกขึ้นมาละอย่าอย่าให้จิตคิดนะตอนต้นเราฝึกสติให้รู้เฉยๆอ๋อค่ะให้รู้ว่าเรากําลังตักข้าวกินเียวไม่ต้องไปสนใจว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ตแต่ว่าแต่ว่าเขาก็คิดอยู่แล้วคะ่ะทีอ่อยู่เราก็ก็อย่าไปอย่าไปสนใจให้รู้ว่ากินไปเฉยๆไม่ต้องสนใจว่าชอบหรือไม่ชอบ คือถ้าชอบมันต้องมันต้องมันต้องคิดไงถ้าชอบคิดแล้วมันคือถ้าชอบมันก็เป็นทุกข์เมื่อชอบมันก็เป็นทุกข์เราต้องรู้ว่าทําไมมัน<อ>ทำไมถึงชอบถึนถึงเป็นทุกข์ เ, เวลาเราชอบพอเราได้กินของที่เราชอบแล้วก็สุขพอวันไหนเราไม่ได้กินของที่เราชอบเราก็จะทุกข์ขึ้นมาใช่ก็ปงแตนต่อแล้วใช่ไหมคะอองแล้หรือถ้ า, อถ า, ากินของไม่ชอบแล้วก็ไม่สุขแล้วเราก็เราก็ทุกข์แล้วเราก็รู้ทันนะ ถ้ารู้ทันรู้ทันก็อย่าไปคิดเงี้ยให้กินเฉยๆไปชอบไม่ชอบกินเข้าไปถึงเวลากินก็กินไปอ๋ออย่างนี้คือดูร่างกายรู้ซื่อๆรู้รู้แค่รู้ใช่ให้ให้ใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจไว้อ๋อไม่ต้องไม่ไม่ต้องสนใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าจะคิดทางปัญญาก็คิดได้ว่าเนี้ยชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์อ๋อ ถ้าคิดแบบนี้ไดไหมคะถ้าเราก็อ้อมั น, น, นก็คิดก็ได้มันก็ทําให้เราไม่ได้สตินะบางทีมันอใจเวลานั่งสมาธิใจก็จะนั่งคิดอยู่เรือ่อยๆเลยดี๋ยวไปอยู่แค่นี้อยู่แค่ดูร่างกายดูว่าร่างกายทำอะไรอยู่เอ่ออย่าให้คิดให้ให้ดูเฉยๆอืมแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหลวงพ่อถ้าหยิบหยิบขมใช่ไหมหยิบของช้าๆมันจะสติมันจะรู้ว่าอ้อตรงนี้ก็กําลังยุกขึ้นเดี๋ยวก็วางถ้ามันหยิบ เร็วๆอ่ะมันจะไม่ทันเนาะ้วแล้วแต่ว่าเราทําให้มันช้าได้เปล่าว่าในชีวิตประจำวันบางทีถ้าทํอยางนั้นเดี๋ยวก็ไม่ทําทําไม่ทันการทำอาหารกินไม่แล้วว่าทําแบบปกติทําแบบธรรมชาติใช่ไหมเลยว่าคนอื่นเขาบอกว่าเราเป็นคนแปลแปลกล่ะคะอใช่ถ้าถ้าถ้าเรามีสติถ้าเราจ้องดูจริงๆมันทันอืมไม่ต้องไปช้าหรอกไม่ต้องไป slow motion เข้าใจไหม s ล o w motion มันจะดูช้ากว่ามาหลวงพ่อ ไม่ใช่กัเท่าไรหรอกมันก็เหมือนกันแนะโอคเคเราตรงนี้ก็แนะนํำว่าไม่ให้ดูจิตใช่ไหมคะมันดูจิตทริไม่ต้องดูจิตไม่ให้ดูจิตไม่ให้คิดให้ให้ดูร่างกายอย่างเดียวแต่ว่าเราสังเกตว่าจิตมีความรู้สึกไม่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนไม่ต้องไปสังเกตความรู้สึกอะไรอ๋อเขาเขาเขาเขาผูกขึ้นมาเองล่ะค่ะหลวงพ่ออย่าไปสนใจไงมันจะผลไงก็อย่าไปสนใจมัน แล้เราอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรยิ่งต่อไปเวลานั่งสมาธิเราจะดูลมเดี๋ยวจิตมันก็ผุดขึ้นมานั่นก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ดูลมแล้วก็รู้ว่าจิตก็หนีไปที่คิดเรื่องอื่นแล้วแต่เรื่องอื่นเนื้อหาอะไรไม่สนใจใช่ไหมเนื่องกลับมาเนื่องกลัค่ะเนื้อหาอะไรไม่สนใจตอนนี้เราฝึกสติเราต้องการหยุดคิดต้องการถูกใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่อง ของร่างกายให้ร่างกายกําลัางทําอะไรให้รู้เฉยๆเข้าใจแล้วค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิเราจะได้ ม, จดมีจะได้อยู่กับพุโทโธได้แล้วอยู่กับลมหายใจได้อท่านังถ้าปล่อยมันคิดมันเท่มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจมันก็ไม่ได้อยู่กับพุโทโธมันก็ไปอยู่เรื่องจิตเรื่องอะไรไปมันก็เลยไม่สงบมากมนั่งสมาธิไม่ได้ใช่ค่ะ เพราะว่าเแต่แต่ก่อนก็คิดว่ามันสติก็รู้ทันอยู่แล้วก็จิตเราคิดจิตเราคิดอยู่ถ้ารู้ทันต้องรู้ทันต้องไม่คิดใช่ไหถ้ารู้ทันต้องไม่คิดฝึกสติเพื่อให้หยุดความคิดอืเข้าใจแล้วค่ะหลวงพอ่อแล้วต่อไปจะต่อเนื่องนะคะอโอเคขอบพระคุณค่ะสาธุเดี๋ยวคต่อเดี๋ยวขอดูคิวหน่อยนะาหน่อย อคุณหมอสุนัตเจนีคุณเชิญคุณหมอไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคเดี๋ยคุณบาริกาต่อเดี๋คุณบาลิการ์กลับน้ำมันสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกไม่มีคําถามนะคะก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์วันนี้ก็ยังไม่รู้ทันสติตลอดเวลาเจ้าค่ะอืมรู้สติอืม ถ้าคิดมันต้องคิดเป็นปัญญาแต่ปัญญามันจะมันจะเป็นปัญญาฟุ้งซ่านมากกว่าตอนนี้ถ้ายังไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนมันคิดว่ามันจะเดี๋ยวมันจะฟุ้งขึ้นมาแทนต้องมีสติมีสมาธิก่อนแนละเวลาคิดทางปัญญาพอมันฟุ้งเราก็จะได้ใช้สมาธิหยุดมันได้โอเคนะเห็นไปที่เป็นมารีต่อมารี กลับห้องข้างหลวงพ่ อ, พอ ไ, ได้ยินอ่า ไ, <ง>ได้ยินอย่างชาัดเจนว่มามันเลยเมืม่อเมืม่อสักครู่ต้องขอกลาบขออานนัยหลวงพ่อกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆญาติธรรมด้วยนะคะถือโทรศัพท์ไปมาค่ะพอดีตึกข้างๆเขาไฟไหม้แล้วควันมันคุ่งเข้ามาค่ะก็เลยออบพยพนิดหน่อยค่ะแล้วก็อบุญนี้มีภัยพิบัติเยอะนะเดี๋ยวไม่รู้จะถล่มหรือเปล่าขึ้นมนะา อ่ะหลอทีนี้หิวก็ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะคราวที่แล้วเข้าไม่ได้ค่ะแต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกค่ะหลวงพ่ออย่างปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่คุณนักาต่อนะค่ะนักศึกษาอุบลรัชมรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะอ่ามีอะไรไหมไม่ไม่มียัไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีคําถาม ไม่มีทั้งคู่เลยเลยโอเคมีคนอยู่ในห้องเราอยู่สองคนปล่อยเข้ามาก็ได้นะเพราะหมดแั้วนี้มีใครที่ตกข้างในห้องไนะ้มหรือจะให้คุณลาถามก่อนก็ได้คุณลามีคำถามก็ถามมาแล้วคนที่สองคนที่รออยู่ก็ปล่อยเข้ามาก็ได้แล้วปล่อยเข้ามานะรับรับรับเข้ามาแล้วครับไม่แพนรูมเรียงเลย ได้ยินแล้วครับโอเคได้พูดได้เลยเชิญครับหลวงพ่อครับก็เข้ามานวัฒกธรรมหลวงพ่อครับสัปดาห์นี้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมครับแล้วก็เพยายามทําให้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ทรงทรงตัวครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเลยถึงบ้านแล้วครับหลวงคงกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับอืมท่านท่านบ้านดีพยายามรักษาการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับครับครับขอบ ครับหลวงพ่อครับขอท่านท่านพระท่านแข็งแร ง, งครับโอเคสาธุยันไปที่คุณปูเป้ต่อปูเป้การนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์อมีอะไรไหมอ๋อไม่มีเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าขาโอเคยันไปที่คุณปุ้ยต่อนักสมบร์คุณปุ้ ย, ยออมีอะไรหไหม ถ้ากลับมากามพระอาจารย์เจ้าเสียงหายไปกันปุ้ยปิดไหมหรือเปล่าเปิดเปิดแล้วาาค่ะพระอาจารย์อเคพูดได้พ้าอาจารย์เห็นโยมไหมเห็นแต่มืดๆน่ยมันเป็นราะ อ, อะไรไม่รู้โยมก็หน้าทาไมามืดแต่ภาพข้างหลังมันสว่างไม่มีแสงแไม่ได้เปิดไฟในห้อง อ่าเห็นแล้วเชนชันแล้วพูดได้เลยภาพมาเสียงหายเาโอเคพูดได้เสียงมาแล้วอ่าภาพหายอ เ, นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้แล้วโยงก้องไม่ค่อยจะเข้าใจอ่ะ อ, อ, อ่าเห็นแล้วพูดได้แล้ พระอาจารย์โยมไม่มีอะไรคะโยมกรรมาการผ้าอ่อถวายงานกับพระอาจารย์เพราะโยมประดิบดีมาตลอดจนกระทั่นถึงเมื่อสองวันก่อนโยมไม่สบายเฉยๆเป็นไข้หวัดเพราะว่าอากาศมันไม่ดีฝนมันตกทั้งวันเลยอ่ะพระอาจารย์อืมมันก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแต็น ก็ได้ปฏิบัติก็ดีหรือว่าได้กำไรแต่เรียน a ออด้วยค่ะโยมก็เออด้วยอยากยจะศึกษาอะไรมากมายอย่างี้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ก็เคยทิง้งเคยทิ้งเพราะเรามีสัญญาอธิษฐานไว้แล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมโยมก็ต้องเดินนะคะแบางวันนะ่ะพระอาจารย์มันก็สงบบางวันมันก็แบบเหมือนใจมันไม่สงบมันมันมัน มันว่ า, วางๆยังไงก็รู้นั่งแล้วมันแบบมันเหมือนเราแบบมันไม่สงบมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกั น, นพระอาจารย์อันนี้คนปุวยเหมือนดวงวิญญาณะเหมือนผีอะไรนั้นเองดำมืดเลย<ช> <c oughs> ยมไม่รู้ว่าทําไมน่องอันนีออ้ไม่ได้อม า, ามาละแสงมาละอ่าท่านนี้กล่าวอกันนะไม่อยากจะดกไม่อยากจะคุยกับผีเดีกก๋ยวกลัว ค, ค่ะขอเข้ามาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวมีคนอื่นรออยู่นะเดี๋ยวไปที่คุณจิ๊บจ้ะคุณจิ๊บอ่าเชิญคุณจิ๊บค่าาะนองไม้สแกนนะคะอาจารย์ย่กลังขับรถอยู่ค่ะพอดีพาลูกพาลูกสาวไปหาอ่าเขาเรียกอะไรคุณหมอกายภาพบํบาบัดอะคะอ่ะเขาเขาเป็นนักวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วเขาเจ็บอ่าเขาเรียกอะไรหน้าแค้งอะคะ่ะแถวหน้าแค้งะคะอะค่ะค่ะ ก็พอดีคุณหมอเก็เลยจับจับแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตหน้าแข้งอะไรภาษาภาษาภาษาอังกฤษที่มันเป็นสับเรื่องแพทย์นี่ออกไม่เข้าใจได้แต่อ้าฟังหัวขาดคาะขาก็เลยกำลังจะขับรถพาเขาไปส่งที่โรงเรียนค่ะว่าจ๊ะ์สบายดีนะคะจ้สบายดีจ้ี่ก็เนี่ยค่ะจะชวนลูกใช่ค่ะลูกก็เนี่ยค่ะ พอดีไว่พวกนี้ยุ่งๆก็เลยไม่ได้เข้าอะไรเลยแล้วก็จะชวนลูกสาวนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเรียนแล้วมันเหมือนเขาโฟกัสไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะองค์ก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะปลุกเขาเร็วขึ้นหน่อยจะให้เขานั่งสักเริ่มจาก 5-10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่าไปหวังผลมาก น, า น, ดานิดหน่อยอย่าไปหวังผลมากนั่งปุ๊บจะได้ปังไม่ใช่นะสมาธินี่มันต้องใช้เวลายเยอะ แต่อย่างไรก็ได้เรื้นใช เ, เหมือนกับให้เขาฝึกหายใจใช่ค่ะก็ให้เขาฝึกหายใจไปด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนถ้าเด็กหนู่ยมสงสารเด็กช่วงรุ่นเนี้ยค่ะเหมือนกับมันเรียนหนังเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรให้ผ่อนคลายผ่อนคลายก็ได้แต่ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะมันก็มันก็น่าสงสารนะคะวิวัฒนาการเขาแบบอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนรุ่นที่โยมโตมามันคนละแบบการอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือก็ก็หวังว่าอะไรที่ทำได้ในฐานะแม่ทําให้ดีที่สุดก็ทํำมาค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่แต่ขอบคุณที่พอดีเจอสลินทอนตอนแรกบอกสลินทอนบอกว่าให้กลับพระอาจารย์ให้ด้วยสลินทอนเลยส่งเข้ามาบอเนี่ยวันนี้พระอาจารย์คนน้อยนะพระอาจารย์ให้เข้าได้ทุกคนเลยยมก็บอกงั้นเดี๋ยวลองเข้าดูซิเผ่ออาจารย์จะให้เข้าอะไรเงี้ยค่ะขอบพระคุณที่งานนะคะขอพระอาจารย์ท่ากันแข็งแรงนะคะ วันนี้ไม่ต้องทางานเลยกำลางงานทําค่ะลาลาเอาลูกมาหาหมอค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปแล้วค่ะ ค, ค่ะได้ค่ะค่ะงานบ้านก็ต้องบ้านก็ต้องทํำ ห, หลวงงานลาดงานหลวงก็ต้อโอเคค่ะสาูุค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับให้คุณครูเน่งต่อครูเน่งเชน ได้ยินไหมครับอาจ<ม>ารย์ชัดเจนเยชัดเจนเลยนบก็กล่าวอาจารย์ด้วกับจา ก, กทำงานมาหน่อยหนึ่งนะครับเะตอนนี้ก็มีมีมีไ ม, ม, ม่เหมือนแต่ว่าหลุดอยู่บ้างคารับอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของผล ง, งานที่เราคิดนะคะอาจารย์แต่ก็ก็ยังปฏิบัติเรื่อยๆนะครับอาจารย์วิธี ไ, ไนีาเรื่อง ก็ไปฟังแล้วก็ฟังทุกวันเราก็ทำทุกวันนะคะอาจารย์แต่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยช่วงาานี่อาจจะสุขสันต์แล้วกมีเรื่องอะไรทิ่นิดตึงนนะคะอาจารย์แต่ก็พยายามถึงสติกลับมามแล้วก็มาแล้วก็มาอยู่กันตัวเอง ใ, <น>ใจเย็นๆไว้เฉยๆไว้ ได้กะดีไม่ได้กะดีสันโดษยินดีตามมีตามเกิดโอเคอาว่าทำไปเร็วๆจะได้แบบอยากเกี่ยวไะ่ไม่มีรายได้แรงใจเสมอไปหรอกนะอ่าโอเคยินดีตามมีตามเกิดน่าจะไม่ทุกข์อ่าโอเค ไปไปที่กุลาต่อเนี่คุณลาเชิญกราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k เจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับบางช่วงรู้สึกเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภาวนาพยายามฝืนทำต่อแต่รู้สึกว่าไปต่อให้สงบไม่ได้ควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องทำต่อไปใจเ ย, นเยน็นๆก็ฝึกสติไปก่อนนะ วันนี้ถ้ายังทําไม่ไหวก็พักพักสักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกําลังขึ้นมาก็ค่อยมาทําต่อก็ได้อย่าเลิกก็แล้ว ก, กันนะจิตของเรามับางทีมันก็ขึ้นๆลงาบางทีก็มีกําลังบางทีก็ไม่มีกําลังช่วงไม่มีกําลังก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารยนะ์ที่เป็นสุปฏิปันโนแล้วนะฟังไปบ่อยๆแล้วจะเกิดกําลังใจขึ้นมา คำถามต่อไปควรปฏิบัติและพิจารณาอย่างไรให้ป่วยอย่างไม่ทุกข์ครับเขายากว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้เราก็ดูดูร่างกายไปเขาต้องกินยากใ็ให้ให้ยาเขากินเขาต้องอะไรก็รักษาไปแต่ใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดนี้เราไม่ได้ป่วยกันไปกับร่างกายเราก็เฉยๆไป อย่าไปทุกกับร่างกายที่ทุกเพราะอยากจะให้ร่างกายไม่ไม่ป่วยอยากจะให้มันหายเห็นตอนนี้มันปว่วยเราอย่าไปอยากให้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ป่วยมันป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปยอมรับมันไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามสุดท้ายการบริจาคเงินแบบไหนจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับกราบขอบพระคุณครับก็แบบที่คนเขารับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่ เอาไปให้คนที่เขาไม่เอาไปใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ก็ต้องดูว่าใครต้องการต้องเขาทำาเขาทาอะไรอยู่ที่เป็นประโยชน์เราก็ไปสนับสนุนคนที่เขาทาประโยชน์เช่นให้กับมูลนิธิปอเต็กตก็ได้ให้กับร่วมกตัญญูก็ได้ใครที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมนี่เราก็ไปช่วยเขาให้เงินกับเขาไปมันก็จะได้ประโยชน์คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ โอเคคนก็หมดพอดีวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็เอาขอเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ต้องขอไปด้วยที่หายไปประมาณสิบนาทีเพราะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันหายไปยต้องเปิดใช้เครื่องสำรองใช้พอกเก็ตไว i ฟที่มันมันบางทีก็นานๆาาใช้ทีมันก็กว่าจะรู้จักวิธีให้มันเข้าให้มันอะไรมันก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่สักพักนึที่วจะไม่ได้กลับมาแล้ววันนี้ แต่ก็ได้กลับมาแล้วก็ยินดีว่าทุกคนยังรออยู่ก็ขอให้ทุกคนนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพียิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ